วนนี้ขอเริ่มต้นการประชุมไปที่อาจารย์พลพิไลคุณพันธิเจ้าขอบระคุณักการค่ะพระอาจารย์สบายดีนะค่ะสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีค่ะได้ตามดูค่ะวันนี้ไม่ไม่มีค่ะรับฟังเหมือนเดิมมาค่ะจะมีผู้ขวัสดีพระอาจารย์ค่ะสวัสดีอันดับห้ค่ะโอเค่ะนี่ก็ อันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะมีอะไรจะถามให้รำค่ะได้ครับขอบค่ะเอางี้ไปที่คุณวริศต่อครับวริการพระราชการหลวงพ่อครับวันนี้จะมาสอบถามเรื่องคําว่าบุญคุณกับพระคุณนี่มันคือยังไงหรอครับอันเดียวกันแหละเแต่ว่าเราอาจจะภาษาไทยเรามีมีสูงมีต่ำบางคนเราคงหมายถึงพื้นที่เขาสูงกว่าเรา อัอพวกมันเแต่ก็เป็นบุญคลเหมือนกันนบุญคนเนี่ยเป็นคำที่เราพูดทั่วไปแบบบุญคําว่าบุญคุณ น, นี้เราไปเรียนหนังสือกับโรงเรียนเราจ่ายาค่าเทอมอย่างนี้มันจะ ม, นมีกระแสนึวกว่าไม่เป็นบุญคุ ณ, คณมันมีการแลกเปลี่ยนมันเป็นสินค้า ต้องให้ให้เ ป, เ, ปเปล่าอย่างพ่อแม่นี่เลี้ยงเราดูมาแม่เนี่ยม่นด้เก็บค่าเลี้ยงดูใช่ไหมอ๋อใช่ครับนั่นแะอคุณเป็นอย่างนั้นอคุณอ๋อแต่ถ้าอะไรที่มันแบบเพิ่มเติมขึ้นมาไม่เกี่ยวกับเงินแต่ว่าเป็นการเสียสลัการให้โอกาสอย่างนี้ถึงจะเป็นบุญคุณอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่ออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับคนผู้รัก อโดยที่ไม่ได้เรียกร้องผลตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยแสดงธรรมนี่จะแสดงธรรมนี่ก็จะเรียกว่าเป็นดุ่เป็นคนก็ได้แต่เพียงเดี๋ยวไม่พูดเท่าไั้นเขาก็ไม่ได้เรียกร้องขอค่าตอบแทนอะไรธรรมทานแ ต, าแต่หมอรักษาคนไข้คิดค่ารักษาอันนี้ก็ไม่เป็นใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่เป็ น, ปนถ้ารักษาฟีอะไรเงี้ยเป็น ขึ้นรถเมล์เปลาไม่เก็บ ต, ตา่างค่ารถเมลก็เขาก็เป็นก็ะ่รก็เป็นบุญคุณนะอะไรที่เขาไม่ได้เรียกร้องจากเราให้โดยโดยถ่ายเดียวมันก็เป็นบุญคุณขึ้นมาแต่ว่า ต, ตอนนี้บุญรับก็ต้องมีความประทานอยู่กตเวทีต้องมีความสำนึกรู้ว่าเขาเป็นผู้มีบุญคุณของเรา ถ้ามีโอกาสตอบแทนบุญคุณได้ก็ตอบแทนไปตามโอกาสความการดูด้วย่้นหม้ของคนดีน ะ, ะใช่ไหมครับหลวงพ่อไมีอะไรไหมอ๋อแค่นี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับหลวงพ่อนี่นครับบุญคุณหลับคุณล้ อ, อ, อาศาสนาเชิญ กรรนรมาสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณบอลคุณหลานคุณชายค่ะก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเขาที่แล้วที่พระอาจารย์แนะนําก็าไปปฏิบัตินะคะก็มีคําถามสองข้อค่ะพระอาจารย์คือข้อแรกค่ะพระอาจารย์การถ้าเกิดว่าระหว่างวันนะคะที่นอกจากการนั่งสมาธิเดินจงกรมอะ่ะเราใช้กายกาตาสติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราจะเเน้นเรื่องของการที่เรา ดูเรื่องของกระดูกคือหมายถึงว่าดูทุกคนสัตว์สิ่งสัตว์หรือว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยดูไปกระดูกแล้วก็ดูแล้วก็ให้แบบเหมือนกับว่าพยายามคืพยาพยามดูถึงแม้จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าดูแล้วก็ให้มันกลายเป็นดินไปยอยะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราหลดรูปไปในโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นการทํากายคตาสติระหว่างวันเพื่อตัดความผูกพันด้วยได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือในหลับก็คือเป็นการเจริญปัญญาค่ะ อห้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอก็ถ้าเป็นสตินี้มักจะไม่ไม่คิดปูดแต่ไม่รู้เฉยอืๆถ้าเราต้องการจเจริญสตินี้เราพยายามนะครับความคิดผูดแต่ถ้าเราจะใช้ร่างกายก็เราก็ดูรอดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคกำลังทําอะไรอือันนี้เป็นการจเจริญสติ ตรงอยากแยะว่าเราคนเราต้องการจริญนอะไรสตินี้ก็มีความสําคัญว่าการที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องมีอุเบกขามีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติเข้าสมาธิเข้าออปัญญาสมาธิให้ได้ถ้าไปฝึกวิ ป, ปัสสนาถ้าตอนที่ยังไม่มีอุเบกขาถ้าไม่มีสมาธิฝึกวิกปัสสนาจะไม่ทําได้เกิดมีสติที่จะทําให้จิต เข้าสู่ปนาสมาธิได้ก็ต้องรู้จักแยกแยกว่าเราเรา เ, เรองทำเพื่อคนมันไ้ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็มาจากจะไปทางปัญญาการปัญญาที่ขาดอเบคขามันก็ปล่อยวางไม่ได้คะนั้นคนปันญญาไม่ชอบจเจริญสติแบบไม่คิดใช่ mm hmm. ถ้าคิดก็คิดคำเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธ เนื่องมาฉะนั้นก็ให้เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ากำลังมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรถ้ากำลังเฉยๆก็ดูลมหายใจเขา้าอันนี้ก็จะเป็นการเจริญสติเพื่อจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้เุ็เบกขาเพราะจิตที่เป็นุเบกขาเท่านั้นที่จะปล่อยวางได้เวลาพิจารณาปัญญาว่าเห็นร่างกายนี้ไม่สวยงาม ก็จะปล่อยวางการมาราค้าได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงน่าจะเห็นว่าเป็นเป็นอสุภะก็ยังก็ยังยังอยากอยู่อสุภะมันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกมันยังน่าดูอยน <c oughs> งั้นเวลาปฏิบัตินี้ก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรทําเพื่อสติหรือทำเพื่อปัญญาปัญญานี้ทําให้น้อยก่อนช่วงแรกๆนี้ทําสติให้มากจนกว่ารเราจะได้ปัญญาสมาธิแล้วนะทีนี้้็ไปปัญญาทั้งร้อยเลยก็ไดนะ้แล้วออกจากสมาธิมาเราจะเลืปัญญาพิจนรณา การพิจารณาเบื้องต้นก็พิจารณาเพื่อให้เห็นเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่จดจำไม่ได้ใช่เวลาไปเจอข้อสอบจะได้เอาออกมาใช้ได้ทันทีถ้าไม่พิจารณาไม่จดไม่จําไว้เวลาไปเจอข้อสอบก็นึกไม่ถึงนึกไม่ออกข้อสอบตกเหมืนเวลาไปสอบแล้วมีข้อสอบแต่เราจําไม่ได้คําตอบนี้วก็ ไม่เกิดประโยชน์ต้องทำการบ้านก่อนถึงจะไปสอบได้ันจะเข้าใจอ่ะพอเข้าใจก็คือว่าเน้นให้ได้อุบเบกขาให้มันแบบเยอะๆ เ, เพราะว่าบางทีแบบมันได้มันมันได้นิดเดียวมันก็ไม่สามารถจะไปเจริญคือเจริญปัญญาน้อยน้อ ย, อยคือคือพยายามตั้งสติให้มันได้ไดเยอะขึ้นเสนาผาอาจารย์เจริญปัญญาได้บ้างเล็กน้อยถ้า <laughs> ยังไม่มีสมาธิมากก็เอ เวสติให้เพื่อให้เข้าสมาธิได้นานๆให้อยู่สงบได้นานๆให้มีความสุขมีความอิ่มใจจะนั่งได้ตอนเช้าประมาณสองชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนช่วงอื่นช่วงซุ้งเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาตีสามนี่ยก็จะจะนั่งได้นั่งแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ง่วงมันก็จะนั่งได้เลยแต่ตอนเย็นตอนกลางวันสามครั้งนี่จะนั่งประมาณชั่วโมงเดียวค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะพยายามนั่งให้มันได้อบเบกขบคได้มันนานๆแล้วก็เราจะได้แบบลองมาดูว่า เขาตรงนี้จะต้องการตัดเรื่องของความพันธ์นะว่าอาจารย์อย่ลองนั่งกระเด็นในานแล้วก็เขาบ้างก้างต้องพิจารณานี่จากความแม่ชาววันการพัดปากจากกันดูกระดูกได้ไหมครอาจารย์ดูดูทุกดูหน้าแบบทั้งรูกทั้งเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครอาจารย์ค่อยๆฝึกได้ไหมคะหรือว่าไม่นะเป็นเรือการพัดปากจากกันแล้วจะไม่จะไม่เจอกันอีกต่อไปเป็นดูกระดูกทำไม อ๋อเอ้เด็กก็ต้องตายไงครว่าเอ้ยเด็กก็ไม่อาจจะไม่ตายก็ได้ก็ อ, อาจจะไปอยู่ที่อื่นที่ไหนก็ได้โอ้โหโอใช่เลยหรือคิดไปว่ามันไม่ต้องตายก็ได้ใช่ใช่อาจารย์อ๋อค่ะได้อาจารย์ถ้าอย่างงั้นข้อสองเนี่ยอาจารย์คือว่าถ้าเกิดว่าเราทานมื้อเดียวได้แล้วแล้วไมมีปัญหาอะไรคือคือสินแปรนะคะได้ได้แล้วเนี่ยเรายังต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกุลสังขารอยู่ัหมคะอาจารย์เพราะบางทีบางทีมันแบบมันเหมือน ถ้าพิจารณามากไปบางทีมันเหมือนใจอยากอาเจียนแล้วไม่ค่อยอยากกินหรือว่ายงกง ก, ก็ดูทดี่ดูที่ใจว่ามันมีความอยากกินหรือว่ากินเพราะไม่กินออยาถ้ามันกินเพราะกินยามันไม่มีความอยากก็ไม่ต้องพิจารณาก็กินไปตามธรรมดาไม่มีแต่ถ้าอยากนําลายไหลคิดถึงส่อมตามคิดถึงอะไรขึ้นมาฝันนี้ก็ต้อง จัดการกับมันด้วยอ่ะปฏิกรค่ะมันก็ต้องดูมันเป็นเรืกินยายาถ้าถ้าปวดหัวก็ต้องกินยาแค่ปวดถ้าไม่ปวดหัวกินไปมันก็ไม่มีผลต่างก็ไ้คืนมันจะกินข้าไม่ลงเอากิกไปแล้วแพ้ให้ยาไปได้ได้ะอาจารย์ค่ะก็อย่างเดี๋ยวไปทำต่อมีแค่สองคำถามค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะ ในไปที่คืนมิวตี้จากภูเก็ตนะคุณมิวที่ยังไงคุณยาเข้ามาหรือเปล่านี่กับน้ำมัสการเจ้าค่ะวันนี้มาฟังเฉยๆเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ข, <อ>ขอบพระคุณมากค่ะขออนุโมทนาที่ทําบุญส่งปัจจมาให้นะค่ะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคลูกสาวเลย เป็นผู้ช่วยค่ะเป็นลูกน oh> ้องแต่ก็เหมือนลูกสาวค่ะค่ะมีวิญดีมีกัลยาณมิตรดีค่ะโอเคน่าเีือขอไปที่ทาต่อไปได้ค um ่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณแนนจากุดดอนธานีจานน้ำมันขารตนเจ้าค่ะเป็นยังไงมีคำถามไห้วันนี้ อันนี้ไม่มีคําถามค่ะเนี่ยกลับไปที่คุณจอยอยก่อนทัมบุรีคุณจอยว่ายังไงค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีค่อยถามมายืนดินมายินยันตัวตนก็ยังมีอยู่อ๋อยังไม่ได้ลางตัวตนนะโอเค ไปที่คนเอกต่อคนเอกจากเชียงรายการนวมศรการพระอาจารย์ครับผมไอ่มีอะไรครับวันนี้เข้ามากับนวมศรการพระอาจารย์และร่วมรับฟังครับผมใ่สาธเอผมคุณนรนัทเทวัญยืนกับนวมัรการพระอาจารย์ครับมีคำาม อ, อะไรไหม อาทิตย์ที่แล้วที่เอาที่พระอาจารย์แนะนําก็ได้ออกไปปฏิบัติครับที่ถามเรื่องฟังธรรมแล้วใจสงบนะ น, น, นะครับท่านพะอาจารย์แนะนําให้ไปอ่านมหาสติปัฏฐานนะครับก็ก็ก็ดีครับเพระมันจะได้ทั้งปัญญาแล้วก็ได้ทั้งทั้งสติตามไปด้วยครับอถ้าท่องจําได้เวลานั่งสมาธิช่องบทนี้ก็ได้ถ้าจิตไม่อยอมสงบแค่จิตพยามยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ ท่องบทนี่มันก็ช่วยทําให้เนี่ยความฟุ่งสั้นบรรเทาลงแล้วก็สามารถนั่ดูลงต่อไปได้ถ้าเป็นปัญญาใช่ครับใช่ครับถ้าต้องเป็นภาษาไทยก็ได้านัไปดูไปอ่านเป็นเล่มที่ทั้งไทยและบาลีแต่บาลีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครับภาษาไทยก็มีภาษาไทยกับกับครับก็มันเป็นี้อคำพิชาความรู้่มัน เข้ามาประชาริเราพอใจครับเป็นผมเห็นดูในปดมันจะมีเรื่องของอริยสัจนะครับ<ะ>แล้วก็ก็จะมีรายละเอียดเยอะเลยเกีกัเรื่องทุกข์คืออะไรแล้วก็เรื่องสมุทยัยแล้วก็เรื่องอนิโรธนะครับแต่ว่าอย่างสมุทัยนี่ก็ก็จะแจงละเอียดมากเลยเพราะว่าอย่างเหมือนกับความอยากทั้งสามนะฮะก็จะมีทั้งอรยตัณหมีทั้งรูปใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะแจเกเป็นระาะเป็นหกแล้วก็มีพวก ความรู้ความเวทนาสัญญาิอสัญญาเจตเจตนามัน <c oughs> นับมาเป็นห้าสิบสี่อันเลยกว่าเป็นจิตดูละเอียดมากอันนี้ก็เลยมานั่งนึกในใจว่าถ้าเรากําหนดไปตามมันคงไม่น่าทันเพราะว่าแต่ว่าถ้าเรากําหนดให้ใจมันคิดได้ทีละเรื่องอันนี้ถ้าเราแค่ตอนเรามีสติพยายามกำหนดสติตามไม่ทันแล้วก็อยู่ในมัก่กอันนั้นจะน่าจะ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ครับคือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปละเอียดใช่ไหมนะคอยคุณเวลามีความทุกข์แล้วว่าพิจารณาหรือว่าเกิดจากความอยากอะไรครับอ่ไม่ต้องไปจอนึกว่าจากตามอยากจากรูปจากเสียงอยากกินจากเล่นอะไครับอ่ก็เลยเรลิวด้วยว่าเล่นตามตามอยากได้ตามครับไม่ต้องไปวิเคราะห์รายละเอียดแล้ว มันมาจากเสียงมันอยากในรูกหรือยากในกลิ่นมันมันผสมกันเนาะอะไรมันอันนั้นไม่ไม่ได้เป็นประเด็นดัเพราะฉะนั้นทํงานได้รู้ว่ามันก่อรั บ, <ะ>บแล้วก็ระงับมันได้คก็อยู่กับจิตปัจจุบับนแล้วก็แล้วก็ทุกไรรู้แล้ ว, ลลลวนะในอย่างมันก่อนก็ที่ที่ถามอาจารย์เรืงกำหนดเนะนี่ยอันในเรื่องของความสงบที่เคยเหมือนกับที่ได้แล้วก็แต่ว่าพอเรา นั่งไปมันก็ไม่ได้แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้แล้วก็ก็ก็ก็เป็นก็อารมณ์ก็อยู่กับความความรู้วมันไม่เสก็ก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เดือดร้อนนะครับแบบว่าเคยถ้าสงบได้ลึกแต่ว่าครา้นี้มันไม่ได้ลึกแต่เราก็รู้ว่าเออก็ไม่ได้ลึกแต่เราก็จ่ออยู่กับไอ้ความอารมณ์ที่ตัวรู้แค่นั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ไปอยากให้มันก็คิดว่ามันก็เป็นไอ้ไอ้ความสงบก็เป็นเป็นอ่า เป็นไตรักนะครับเป็นเป็นอนิจจังเหมือนกันก็ก็ไม่ไปไปอุปทานเป็นอะไรกันอันเนามันมันมันเป็นไตรักก็จริงแต่มันเป็นยาที่เราต้องรเราต้องพยายามมีไว้สําหรับหลอดเลี้ยงชีพใจรักษาใจให้มีเบคขาครับดังนั้นแม้จะเป็นไตรักแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาพิจารณาว่าเป็นไตรัก สมาธิก็คือเป็นเป็นยาและเป็นส่วนประกอบที่เราจะมาใช้กับปัญญาเพื่อนัความอยารรเราไม่ได้อัปนาสมาธินยากรัความอยากยากอย่พยายามเข้าไปอัปนาสมาธิให้ได้ถ้ายัางเข้าไม่ได้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานเช่นดูลงหายใจด้วยการพุทโธ อย่างนันอย่างนั่งดูความว่างเฉยๆมันไม่เข้าเดี๋ยวจะเสียเวลานั่งมาหลายปีก็ได้แคลขีดตรงนี้ได้แค่ได้แต่ความม่นทุ่สร้างแต่มันก็ไม่สงบเป็นที่ครับใช่มันปนมันไม่ถึงสับไม่ลึกครับแต่ว่าต้องก็ใช่ครับใช่ครับ ต้องพยายามไปอยู่แบบลหมหายใจอันนี้ถ้าคิดว่าพอใจกับสมาธิระดับนี้มันก็เป็นความนึงเข้าใจผิดสมาธิระดับนี้มันไม่สามารถที่จะทํใราละอุปทานละความอยากต่างๆได้ <c oughs> เข้าให้ลึกก็ต้องก็ต้องเหมือนกัเหมือนเข้าไม่ได้บางไม่ได้บ้างแต่ว่าก็ต้องก็ต้องพยายามไปได้เลยนะครับ นั่นแหละต้องเพราะน้าคือเป้าหมายการนั่งสมาธิรัญาสมาธิอนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเค่คุณพรุนดาปฤดาจากสัตย์อีกการนัดมาจัการเจ้าค่ะอาจารย์มีมีข้อสงสัยค่ะคือวันมีวันคือแบบมัน มีความสุขมากๆอย่างเงี้ยค่ะแบบ ม, มันเหมือนล้นจะล้อนออกมาเลยแล้วทีเนี้ยค่ะไปเดินเดินจงกรมแล้วก็พอตอนจะนั่งสมาธิอ่ะค่ะมันมันมันคิดขึ้นมาว่าสักแต่ว่ารู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ที่ความสุขที่มันเยอะๆนั้นอนะมันก็มันก็ลงมาเหลืออยู่ที่เดิมอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยสงสัยว่ามันก็ดับเหมือนตอนที่ดับทุก เลยเหมือนตอนที่เราทุกข์หรือโกรธหรืออะไรแล้วมันก็ลงมาอยู่มาอยู่จุดเดิมตรงเนี้ยได้เนี้ยค่ะหนุก็เลยว่ามันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเนี้ยมันถูกไหมคะพระอาจารย์ความจริงมันเป็นยังไงมันมันหมดไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะคือมันดับลงไปอยู่นั้นหนุก็งงว่ามันมันก็สุขดูตามความเป็นจริงสุขก็สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง มันก็คือเวทนาใช่ไหมอ่าก็เวทนาสุขก็เวทนาทุกข์กเวทนาใเหมือนกันเลยก็มันก็ไปไปมามาสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เข้าใจอ่ะค่ะเอให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมันมาก็ดีมันไปมันไปก็ดีเอี่าไปวุ่นวายไปกับมัน พอมันอยู่ตรงกลางได้แล้วก็อยู่ตรงนั้นต่อไปใช่ไหมคะอ่าให้สัตว์แต่ว่ารูปไปไม่เดือดร้อนกับการมาการไปของสด o u t u b อ้อธรรมชาติข<พ>องเขาของครั้งที่มันสูกก็ไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้ก็ปล่อยมันไปค่ะนี่ก็ก็เลยเห็นอยู่ก็เลยแบบมาถามพระอาจารย์มันก็เหมือนกันเลยเหมือนที่เราเห็นทุกมันดับเหมือนกันเลยให้สัตว์แต่ว่ารู้ไป ่อย่าไปมีความอยากให้มันอยู่นานๆเ น, นื่องอยากอยากให้มันไปหายไปเร็วๆ เ, เวลามันทุกข์ไปอยากจะให้มันหายเร็วๆเวลามันสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆความควอมมันหายไปก็เสียใจถ้าอยากถ้าไม่อยากก็เฉยๆไปหร<า>ือว่ายามาเดี๋ยวมันก็นต้องไปทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็อยู่อยู่กับ มันพอมันลงมาอยู่ตรงที่นั้นแล้วก็คืออยู่อยู่ไปที่เดิมอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่อยู่ไปค่ะสัตว์แต่ว่าค่ะอาจารย์เข้าใจเหรอคะค่นี้ค่ะขอบพระคุณคุณบริสเชนเก่าหนังบัตการอาจารย์เจ้าค่ะมีมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเช่ถามได้เลยอาจารย์เวลาจิตนั้นสงบลงไป แล้วมันเหมือนค่อยๆถอนขึ้นมาเองเราจําเป็นต้องต้องคิดไปทางปัญญาทุกครั้งไหมคะพระอาจารย์หรือยังไม่ต้องก็แล้ว <ø ns k> แต่ว่าเราต้องการถ้าเราต้องการมาสงบต่อเราก็ไม่คิดต่อแล้วก็ถ้าเราต้องการาเจริญสติต่อเราก็ไม่ต้องคิดก็ได้เพีแต่ให้รู้ให้รู้ว่าร่างกาย กำลังทำอะไรอยู่หรือว่าให้นบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ได้ยังไม่อยากจะไปทางปัญญาถ้าเราคิดว่าสติเรายังไม่ไม่ดีพอจิตยังสงบได้ยากเข้ า, เ ข, าเข้าสมาธิได้ยากก็มันฝึกสติไปก่อนปัญญานี้ก็อาจจะคิดบ้างก็ได้แล้วแต่ เป็นคิดแบบทั่วไปก่อนก็คิดเรื่องร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดยาเจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่ง ต, ต่างๆที่เราบุคคลต่างๆไม่ราบยศสารเสริญสุขโลกธรรมนี่ับไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีหนักมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเพ่อไม่ให้หลงลืมก็ได้นะถ้าคิดเรื่องเดียวมันเผลอมันอาจจะคิด เพืจะต่อไปพุ่งสร้างได้ถ้าเราอยากจะควบคุมความคิดไว้เพราะเรายัางไม่มั่นใจในกําลังของสติของเราก็พยายามหยุความคิดไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เพราะสตินี้ทําหน้าที่แทนปัญญาได้เวลาเกิดความทุกข์ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันเดี๋ยวก็หยุดทุกข์ได้แต่ว่ามันเป็นการทําหน้าที่ชั่วคราว ถ้าเป็นปัญญามันจะเป็นทําหน้าที่ถาวรดับความทุกข์ไ<ม>้่าถาวรแต่ก็ต้องดูกําลังของเร า, าตอนนี้เราขัดสติเราเป็นไงมีกําลังมากไหมนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีสงบไหมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้เวลามากอาจจะสงบเนี่ยแสดงสติเรายังมีกําลังน้อยก็รี่ไปพิจารณาทางปัญญาก็เหมัน พิจาะการเจริญสตินี่ยไปคอยควบคุมความคิด ก, ก่อนเพราะาปล่อยให้ไปคิดทางปัญญาเนี่ยมันบางทีมันจะเลยเถิดไปคิดเรื่องอื่นต่อแล้วมันรู้สึกตว้วค่ะอาจารย์ผมว่าบางทีก็ช่วงเลยไปคิดอ ย, าอย่างอื่นมันนไหลไปมันไหลไปง่ายหนูก็เลยว่าสนุกก่อนเพราะว่าตอนที่มามันใจมันนี่ยังไม่อยากคิด แต่บางทีก็ไปบังครับมันให้มันคิด mm hmm. ก็เลยว่าจะสงบก่อนดีไหมยังไงนะคะอ่าพยาาเอาความสงบเอาสมาธิก่อนเอาสติให้มันเข้มข้นก่อนนี่ไแล้วค่อยไปถามาโอเคนะอาจารย์เข้าใจค่ะโอเคมีใจใช่ไหม ค่ะข้อดีค่ะคุณานา้อมตอบใช่คุ ณ, า น, าณน้องนักสังขารค่ะอาจารย์ดีครัถามไหมอ่าเอา่เอผู้รู้วิญญาณแล้วก็อะไรเดียกันเป็นอันเดียวกันไหม ค, ครับอาจารย์โบาณวิญญาณ น, นี่เป็นผู้ที่ไปรับรู้เสียงกิเลสทําหน้าที่รับรู้เสียงกิเลสจากจาห์ของ จ, จมูกนิ้วกายค่ะ แล้วเียรู้รูปเสียงกินรัก็คือใจก็คือจิตช่นะคืรู้ช่วจิตนะ<อ>ป็ญญาณทำหน้าที่ไปรับรูปเสียงกินรัที่มาสัมผัสกับตาหูจ ม, มูกร่างกายใจนะค่ะมีแค่นี้ค่ะค่ะเห็นคุณเดวิดเข้ามาเอาคุณเดวิดก่อนเดวิดลองชอเดวิด can you I mute your microphone. Chào p h á Lạng Sư. c h Panaya, c h i t h a i S บาย đi? n h Speak Thai. Sảy. Sảy. Sảy đi khắp Côn Đảo. c o m a l e z o u s Comment allez-vous? I haven't seen you for a long time. Two years? Yeah, very, very long time. Yes. And difficult to come back to Thailand, actually. Yes, especially right now, it's quite uh, spreading quite, quite, quite fast. But hope we come back soon. Yeah, hopefully maybe six months time, maybe things might get Let's, better. Hopefully, as soon, as soon as it's open, we come back and see you. Yes. Are you happy working in America? It's different, like every country, it's different, <laughs> but it's good. Powerful country. I see. Okay. When will when will your time expire? Uh... Um. Beginning 2023, I think. 23, yeah. We will see. It de it depends. I see. So you have another year, o and a n d a e yeah, one year, one year and okay. a half, right? Exa well, exactly. Yeah. Okay. Good to see you. You have anything? No, nothing special. It was very good to see you. f n l y that. How come you're not working today? Ah, uh, some vacation sometimes. <laughs> หมูไม้นี่กันค่ะท่านอาจารย์หมูมตอนนี้อยู่ที่วอชิงตันค่ะท่านอาจารย์มาเรื่องมาเ่องบสอรลยงานเนีค่ะท่านอาจารย์ก็เลยกลับเข้ามากับได้โอกาสได้เข้ามากับท่านอาจารย์ดีดีใจที่ได้พบเนไม่ได้เจอกันนานขอพคุณมากค่ะท่านอาจารย์รบค้ยานอาจารย์ take take good care of you please มอนซองเซ่ค่ะบุญสุขภาพแข็งแรงค่ะท่าอาจารย์จ้าสาธุจ้าจ้าเงินไปที่ค <com> <Sh apping> ุณ <com> วิรายพรต่อเงินคุณวิราพรกับสาธุค่ะพระอาจารย์อากที่ไหนกรุงเทพค่ะพระอาจารย์วันนี้ครับ่ไม่มีค่ะอยากเข้ามากล่าวพระอาจารย์ค่ะ ดีอาสาทุกอาสาทุค่ะเอ็นไปที่คุณสุภาพร์วอต่อคุภาพวันอยู่ที่ไหนค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะกับนวัตการพระอาจารย์ค่ะอยู่บ้านค่ะยังไม่ได้ไปปฏิบัติเลยนะคะออามีคาถามอะไรหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะมากราบพระอาจารย์อย่างเดียวค่ะ เป็นไปที่บรรดภัสสรเชิญธรรดาัสสรนักาการเจ้าขาพระอาจารย์เ mm hmm. จ้าค่ะ mm hmm. ก็วันนี้มีสอนเนื่องจากเมื่อคืนนิดหน่อยเจ้าขะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์แนะนําท่านหนึ่งที่มาจากมาเลเซียค่ะที่ให้เขาลองทิพิจารณาดูในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเราต้องตายถ้าเราต้องเจ็บเพื่อที่จะฝึกฝึกจิตให้ยอมรับมันนะเจ้าขะพระอาจารย์ mm hmm. อันนี้คือ มันจะไปอยู่ในในส่วนที่เป็นการพิจารณาปัญญาใช่ไหมจักขาปัญญาใช่ร่างกายพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายบางทีเราพิจารณาแบบลอยๆร่างกายเราแก่เจ็บตายมันยังไม่เข้าถึงตัวเราครับเราอาจจะต้องสมมติขึ้นมาอถ้าเกิดเราเป็นมาเร็งขึ้นมาจะว่ายัางไงนีถ้ามันัถามคำ ถ, ถามนี้ถ้ามันใกล้ตัวเราขึ้นมา ค่ะที่ที่ลูกเคยทําก่อนหน้านี้แล้วมันมีความสงบเข้ามาคือลูกคิดว่าถ้าลูกจะตายแล้วจากร่างกายนี้ไปแล้วก็เผาร่างกายที่เป็นธาตุอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเกิดความสงบอันนี้ก็พอใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่ทูกป์ับมัก็ใช้ได้พิจารณาเพื่อไม่ให้เราไปทุกกับความเป็นควาตายของร่างกายมันเป็นเพียงกานเดิน น, น้ำลงไฟ ที่จะต้องย่อยสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเห็นไหมว่าถ้าเราไม่พิจารณาเราอาจจะหลงเชื่อเป็นตัวเราค่ะถ้าถ้าพิจารณาพิจารณาอย่างนี้ดีก็ทํำบ่อยๆโดยเข้าไปตรงนี้บ่อยๆ ก, ก, ก็ก็ดีใช่ไหมาาจ้าค่ะอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นขั้นขั้นขั้นทาําการบ้านนะค่ะนี่ก็เอาไปทำหาข้อสอบสถานที่ทำข้อสอบ นะที่มันน่ากลัวเนีที่มันอาจจะมีลิดภลาดอันตรายค่ละลูกกําลังติดต่อบ้านที่เขาชียโอนอยู่เจ้าค่ะอาะเจะ ก, ก็ก็ตั้งใจอยู่เจ้าค่ ะ, <า>ะมันจะได้มันจะได้เห็นเห็นว่าที่เราทำการบ้านนี้สามารถสอบผ่านความดีได้ไหม เหมือนกับว่าเราฝึกซ้อมการบ้านไว้พอไปเจอเจอตอนจริงตอนนั้นจะได้ไม่เตลดิดใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จะได้จะได้ไม่เสด็จที่จะปล่อยวางร่างกายพิจารณาว่ามันไม่เทีย่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับความจริงวันนี้เจ้าค่ะวันนี้รูปมีเท่า น, นี้เจ้าค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราไม่พิจารณาก่อนเราอาจจะ ไม่ไม่อยากจะไปถ้าเราไม่อยากจะไปนี่มันก็บอกมันมันก็บบอกว่าแสดงว่าเรากลัวตกกลัวอะไรจ้าแต่พิจารณาแล้วเราเห็นว่ามันยังไงก็หนีมันไม่ค้นต้องเจอมันแทนที่จะรอให้มันมาหาเราเราก็ไปหามันดูซะก่อนเจ้าขาตั้งใจอยู่เจ้า่าพระอาจารย์ก็ลางานลาอะไรไว้แล้วเจ้าขาพระอาจารย์แทนที่ใช่ข้อสอบมาหาเราเราก็ไปหามันสิอย่างเช่นตอนนี้อาจจะกลัวเรื่องติดเชื้อโรค แล้วก็ทำมีอาการทุกข์ทรม า, ารย์ทร่างกายก็ซ้อมมวอก่อนนั่งนั่งสมาธิไปแล้วเวลามันเจ็บมันปวดก็อยากไ ป, ปูุ่กเลยพอเมื่อว่ามันนี้อันนี้เวลาเป็นไข้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะปวดไปตามประดูกตามข้อตามอะไรต่างๆแล้วดูซิว่าใจเราเป็นไงวุ่นวายไหมหรือใจเราเฉยๆ ถาไม่เฉยก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาสอนใจให้ให้วางให้ได้ให้สงบให้ไานอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งสองข้อใหญ่ๆามตายหรือความเจ็บไข้ได้ปัวความเอาบางคนบอกเขาไม่กลัวตายแต่เขากลัวเจ็บทำให้กลัวเจ็บก็ต้องมาซ้อมเจ็บกันเจ้ค่ะอันนี้ก็เป็นการบ้านอีกข้อหนึ่งใช่ไหม ทำไมถึงต้องนั่งลงนานๆหลา ย, ลายชั่วโมงเพื่อที่จะได้เจอความเจ็บแล้วก็จะได้วันนี้ทำข้อสอบได้เลยเราความเจ็บนี้มันเหมือนกันเวลานั่งเจ็บปวดจกากการนั่งสมาธิาเวลาเป็นไข้ติดเชือ้อไข้หวัดเรืออไรมันก็มันก็เจ็บปวดแบบเดียวนะ <c oughs> นี่ก็เป็นข้อคิดฝากไว้ข้อน เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะกลาบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะครัท่านต่อไปคุณทุกตีเจอคุณคุณได้ใช่ไหมใช่ครับที่มากลับนมัดการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนปทุมธานีค่ะลาลูกกาปทุมธานีค่ะมีคําถามอะไรไหมอืม คือเมื่อคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำประมาณตอนตีสาม่ะค่ะแล้วก็อยากนั่งสมาธิก็เลยได้ลองนั่งดูค่ะมันก็เงียบดีกว่านั่งตอนกลางวันนะคะก็นั่งได้ชั่วโมงครึ่งแต่มันไม่ผ่านทุกคาเวทนาค่ะปวดขามากตอนแรกก็พยายามแบบจะอดทน เราจะติดตรงนี้หลายครั้งเลยค่ะนั่งเฉยๆไม่ได้เวลามันเจ็บต้องพยายามใช้สติหรือใช้ปัญญาถ้าสติไม่เช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์บทไหนที่เราจาได้ก็าสวดไปอย่างนี้ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บปวดเดี๋ยวอาการเจ็บปวดมันก็จะไม่มีแรงความจริงมันเท่าเดิมแต่ใจเราไ ป, ไปไปไปขยายมันด้วยความกลัวมันด้วยความไม่ชอบมันแต่พอเรา ส่วนบนไปหรือพุโทโธพุทโธไปใจก็ไม่มีโอกาสที่จะไปขยายตามเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาลงดูได้รูมันได้ น, นี่ก็เป็นอุบายด้วยการใช้สติเช่นส่วนบนมือสองพุโทธโทธพุธโทโธพุทโธมุทโธไปอย่าไปคิดถึงอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดตามร่างกายวันนี้เจ็บมี้ปวดไปเราต้องการหยุดหยุดความอยาก ที่สร้างความทรามานใจให้กับเราด้วยการใช้สติเช่นทุตโธหรืรอการสวมดมนต์ก็ได้อันนี้เป็นขั้นขั้นง่ายขั้นที่หนึ่งขั้นสติถ้าได้ผ่านขั้นสติขั้นที่สองก็ ใ, ญญใช้ปัญญาถอดใช้ปัญญาสนใจมันยากว่ากเวตนามันอยู่ที่กายหน้ากามันก็ไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิด พูดมาสัมผัสรับรู้แต่เราไม่ได้ไปผู้เจ็บปวดพูดเจ็บปวดเพืเ่างกายน่างกายไม่เห็นเขาเดือดร้อนเท่ไหรเอาไปเดือดร้อนแทนน่างกาย่ทำไมก็เป็นเพราะว่าเราไปหลงคิดว่าน่างกายเป็นเราเราเลยไป เ, ปเจ็บปวดแทนน่างกายแล้วก็อยากให้ความเจ็บปวดหายไปเราเกิดความอยากให้มันหายไปก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้าเราบองว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเราเป็นเพียงผู้รู้ก็รับรู้ไปเราไปอยากไม่ได้อยากก็มันจะทําให้เราทุกข์ทรมานใจก็ปล่อยให้มันเจ็ไดไปปวดไปตามความป็จริงของมันแต่ก่อ น, นจะ<ป>นั่งนี่แบบจิตจิตแบบตั้งมั่นมากเลยนะคะกะว่าจะนั่งแบบให้ให้สว่างไปเลยแต่ดูแล้วได้ได้ชั่วโมงครึ่งค่ะพอออกมาจากสมาธิก็ได้ชั่วโมงครึ่ง <S <S> <S ก็ดีเลยก็ยพยายามทําไป เกิดไปเรื่อยๆก่อนต่อไปมันก็จะมีกำลังมากขึ้นนะแล้วมันพอจะรู้รู้จักวิธีที่จะต่อสู้กับเวทนาได้แต่ส่วนมากจะติดตรงตรงเวทนาเนี่ยเกือกทุกครั้งเลยค่ะตอนนั้นต อ, ตอนนั้นต้องพยายามพยันเที่ยวพุทโธพุทโธก็วสวดวนไปสวดไปในใจเนี่ยเท่องไปในใจอย่างเฉยๆอย่างเมื่อวันพระหนูก็ได้ลอง ลองอดอาหารตามที่เคยฟังผ้าจามแนะนํานะคะก็ไม่ทานข้าวเลยก็จะดื่มแต่น้ําปานะอะคะ่ะตอนกลางวันก็ก็รู้สึกหิวแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่หิว ม, ม, มากนะคะแต่แต่มันเหมือนแรงมันน้อยลงแต่ความคิดจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ส่งออกข้างนอกเลยคะ่ะเหมือนมันไม่มีแรงที่จะออกไปคิดเรื่องข้างนอกเลยคะ่ะอื หนูก็ฟังธรรมะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันนะคะพอกลางคืนนอนท้องร้องหิวมากแต่ก็ก็ไม่ได้ลุกมาหาอะไรกินนะคะพอเช้ามาตื่นมาหนูก็นั่งสมาธิต่อเลยวันนั้นแบบรู้สึกแบบเยอะได้เยอะมากะคะ่ะนิ่งสงบ <ừ> เหมือนเหมือนจะได้อุเบกขาด้วยอะ่ะ <ừ> ค่ะอัน น, นดีการอดอาหารนี่เป็นการเสริม เสริพลังของสติสมาธิได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เรื่อยๆเดี๋ยววันพระน่าจะอดอาหารได้ถ้ามันได้มันเห็นประโยชน์แล้วมันก็อยากจะทำต่อเพ้วตอนนี้ตั้งใจว่าทุกวันพระช่วงนี้จะถือสินแปดด้วยแล้วก็จะจะอดอาหารผอนอาหารตามที่พระอาจารย์เคยแนะนาด้วยได้ดีดีมากทำไปนะ แล้วถ้าถ้าเพิ่มได้เพิ่มวันได้ก็เพิ่มเลยต่อไปก็สองวันก็ได้ทิลสองวันทิ้ละสามวันมาตอนต้นเดือนได้ไปสามวันค่ะตอน ต, ต้นเดือนต้นช่วงไหนช่วงไหนว่างก็เอาเลย <5. S 2> เพิ่มแทนที่จะวันเดียวว่าสองวันตรงไหนาไม่ต้องทำงานก็เพิ่มการปฏิบัติ ปกติก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกอยูอ่แล้วอยู่ที่ ย, ย, ยิ่งถ้าคุณสามีไปทํางานต่างจังหวัดนี่ก็จะได้โอกาสนะคะอย่างนั้นหลายวันได้ดีทําบ้า น, นง่ายเป็นวัดไปไหนไม่ต้องไปที่วัดออย่างเราปฏิบัติที่บ้านนี่เรามีโอกาสบรรล้ไหมคะมีมันไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือที่วัดมันอยู่ที่อยู่ที่ทำว่ามีพอที่จะหนักปิเลตได้ปะ สติปัญญาไม่พอที่จะหยุดความอยากได้ป่าก็จากเสียงอย่างแค่เสียงคนในบ้านนะคะช่วงแรกๆ ก, ก็ยังรู้สึกลาคาญก้องแก้งก้องแก้งอะไร ห, หน่อยก็ลาคาญแต่ช่วงนี้แบบ เ, <ล>เดือนหนึ่งแล้วค่ะที่ที่ปฏิบัติทุกวันแล้วก็วันละหลายรอบเช้าบ่ายก่อนนอนอะไรเนะะี้ยค่ะตอนนี้เริ่มเสียงนี่แบบสบายมากเลยไม่ลาคาญไม่อะไรแสดงว่ามีอุเบกขามากขึ้นนะ เบางกีได้ยินเสียง<ๆ>เครื่องบินฮอนก้องอะไรก็คือได้ยินแต่ว่าไม่ไม่รู้แล้วว่าเป็นเสียงอะไรรู้แต่ว่าเป็นเสียงค่ใช่แต้ว่ารู้ไปดีนี่แหละถูกวิธีละพยายามรักษาใจให้นิ่งเฉยไม่เป็นมีอารมณ์กับอะไรที่มาสัมผัสรับถ้ามีก็ต้องแก้ต้องใช้ปัญญาหรือใช้สติเช่นอาการเจ็บปวด น, นี่ก็เป็นเหมือนกับเสียงแต่ว่าเราไป เราไปนับมันไม่ได้กับเสียงนี่เรารับได้มันเสียงดังอะไรเรารับได้ปล่อยได้แต่พอมาเจอความเจ็บปวดทางร่างกายรับไม่ได้ก็พิจารณาไห ม, มก็เป็นเหมือนเสียงนี่แหละเสียงมันเข้ามาทางหูส่วนอันนี้มันเข้ามาทางร่างกายตอนนี้เสียงรับได้อากาศจากเมื่อก่อนหนูเปิดแอร์เปิดแอร์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตอนนี้หนูไม่เปิดละกลางวันหนูก็เปิดพัดลมแค่เบอร์หนึ่งแล้วก็นั่ง คือก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนจนทนไม่ได้ค่ะแค่รู้สึกว่าเออมีลมสัมผัสตัวนิดนึงมีเหงื่อออกแต่คือไม่ไม่ร้อนนะคะต่ ไ, ไปก็ต่อไปก็เขยาบให้มันเจ็บปวดเวลามันเจ็บปวดเขาเียว่าเป็นไข้เพิ่งนะาเวลาเป็นไข้จะทำไงก็ต้องอยู่กับมันไปปกติก็ไม่เคยเป็นไข้เลย<ม>เลยนึกไม่ค่อยออกว่าเวลาเป็นไข้มันจะเป็นยังไง เรานั่งดูไว้เวลาปวดนั่นแหละความเป็นอาการของไข้มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะปวดไปตามกระดูกตามอะไรแต่<า>พอออกจ า, ากสมาธิมามันก็ไม่ได้ปวดมากนะคะอืมไม่ปวดแต่มันปวดตอนที่อยากนั่งเวลาเนี่นั่งแล้วอยากจะให้มันหายแล้วอยากจะลุกนีน่มันรู้สึกปวดมากถ้าเราตัดความอยากนี่นั่งมันก็จะรู้สึกไม่ไม่ลุกแล้นั่งอดูอมันได้ ตอนนั้นต้องใช้พุทโธใช้การสวดมนเข้าช่วยนั่งเฉยเฉไม่ได้กําลังไม่พอสติกําลังไม่พอเราเติมสติด้วยพุทโธโทพุทโธพุทโธไปด้วยการสวดไปมันมีสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็อุเบกขก็มากขึ้นมันก็ปล่อยวาาจัดตัวของร่างกายได้ือถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เราก็จะนั่งแบบสองสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมได้ได้ ได้สบายอันนี้มันก็เป็นตัวที่ขวางกั้นเราทุกครัมันเจอี่นี่ก็ถอยทุกคั้งมัอทก็ถอยถ้าไปเราไม่ถอยแล้วใช้สชติสู้ทุกทุโทุกทุกไปส่วนหมดไปาบางทีก็ข้ามไปได้ใช่โอเคนะอะม่อยอมทำไปเรื่อยๆนะอย่าอย่าหยุดทางนี้ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็อย่าหยุดนะ ไม่หยุดค่ะตั้งเป้าหมายแล้วต้องต้องต้องเร็วๆนี้ค่ะไม่มีอะไรดี่เท่ากับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี่ยทําไปยิ่งปฏิบัติผลยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆกำลังก็จะมีมากขึ้นฉันทวิริยะก็จะมีมากขึ้นโอเคนะมาที่คุณชนะดาต่อนะ อะูด้นใดอยู่ี่ไหนสมุดประกาศได้ไหมเมนูเจ้าของเมนูเด็ดใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนแล้วก็เสริมแคลเซียมด้วยปลาตัวเล็กทอดถาวพาจานน้ำลายลายเล้วพื่เสริมแคลเซียมหน่อยค่ะพรุ่งนี้ทิโมธาสาธุค่ะ ก็ของของโยมนะคะก็เอ่อครั้งที่แล้วที่ได้เล่าพระจะให้พระอาจารย์ท่านฟังว่าเอ่อที่มีญาติเสียนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรไม่ได้เสียใจทีนี้ปรากฏมาขำตัวเองตรงที่แมวพอพอแมวที่ตัวเองเลี้ยงนะคะแมวแมวตายแมวตายแล้วก็น้ำตาไหลเนาะ ออรู้สึกสงสารเขาอะค่ะและ้ว แ, แต่ก็ก็ยังเอ๊ะทำไมน้ำตามันไหลคือสงสารนะคะพระอาจารย์แต่ว่าที่สุดแล้วก็เข้าใจนะคะก็เข้าก็เข้าใจนะคระับทำใจได้นะแต่ถ้าเนี่ยกำลังสงสัยว่าถ้าอุเบกขาเข้ามา ถ้าเรามีอุเบกขาสมากกว่านี้หรือ ม, มีอุเบกขาได้จริงๆเนี่ยน้ําตาจะไม่ไหลใช่ไหมคะพระอาจ า, า, ยายจรย์ไม่ไหลไหลใช้ใจไม่มันเรื่องธรรมดาค่ะอือแสดงว่ายังอีกห่างไกลก็ไม่ได้ไกก็าจะใกล้แล้ว <c oughs> แต่ ว, ว่าบางทีกับคนกับคนที่ใกล้ชิดนี่มันมีความ ร, รู้สึกแตกกับคนที่อยู่ห่างไกลคนที่อยู่หางไกลอไกอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเสียใจ เราไม่ได้เห็นหน้าเขาบ่อยแต่คนที่อยู่กลาชิดเราเห็นทุกวันนี่เราก็จะเสียใจได้ง่ายกว่ามากกว่าแต่ถ้าไม่ถึงกับไม่ถึงกับโศกเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอ๋อค่ะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะก็คือสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ก็โอเคค่ะความสงสารเนี่ยมันมีเป็นมันมีจริงเป็นจริงจริง มันเป็นความสงสารจริงๆหรือว่ามันเป็นน้ําตาไหลเนะี่ยมันเป็นเพราะเราไม่อยากให้เขาตายหรือว่าเราสงสารเขาจริงๆนะคะพระอาจารย์มันก็จะเป็นอาจจะเป็นทั้งสองอย่างแล้วแต่เราเราต้องเป็นคนแยกแยะเองว่ามันเป็นอะไรก็ได้อืมใช่ไหมคนอื่นจะไม่รู้ได้ไงเรานะ่ะต้องเป็นผู้รู้เองอ เพราะว่าถ้าไม่อยากให้เขาตายนี่ก็ยังมันมันก็ยังมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นกิเลสค่ะความเศร้าใจเสียใจค่ะแต่ถ้าสงสารถ้าสงสารมันก็จะไม่นอให้มันถือว่านี่มันเป็นธรรมดาของโลกทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเราน้ําตามันไหลยังทําไมอะคะพระอาจารย์บางทีหนูก็ หนูก็มีหนูก็รู้สึกว่าแบบทำน้ำตามันจะไหลทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเภัยคยาของจิตต่อต่อต่อเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็มันก็รู้รู้วันก็แล้วกันว่าน้ำตาไหลแต่ถ้าเราไม่ได้เศร้าโศกเสียใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับไมไ่ตั้งตง้องอะไรว่าจิตใจเรายัง อ, อ่นไหวกับเรื่องเราอย่างนี้อยู่ก็แลัน ค่ะอาจารย์แนะนําอะไรหนูเพิ่มอีกไหมคะก็หลบัญญัติญาปิจราความไม่เที่ยงแทแน่นอนของสรรเสิ่เท่างหลายว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสูญไปหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของสตัตว์ของมนุษย์อะไรต่างๆนี่ก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงในที่สุด เรามีการทร่านทากจากกันเป็นธรรมดาลงวนจกากความท่านทาจากกันไปไม่ได้อย่าลืมพยายามสอนใจเรนะื่อยๆแล้วมันจะมายั้งยังควงามเศร้าศกเสียใจเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการท่านทากจากกันค่ะนะให้เราพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้บ้างๆใายได้เบรคขาบ้างถ้าเบรคขาบ้างมันจะไม่ ห, หลังน้ำตามันจะไม่อะไรคมันเฉยเฉย ค่ะยังจะตอบว่าทำไมนำ้ำตาไหลก็เพราะว่าอุปกา ย, ยังไม่ไม่มากพอก็ได้คะ่ะได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากคะ่ะเนี่ยพรุนี้ยารอเกณฑ์วเชีย์ <laughs> วันนี้วันนี้มามาถือสินที่คอนโดตัวเองที่ศิราชาค่ะพระอาจารย์<อ>ราารยังคิดว่าพรุ่งนี้ยังอยากจะไปใส่บาตร ด้วยตัวเองเลยค่ะพระอาจารย์เราดูสิก็ประมาณวงกว่า2โมงครึ่งค่ะค่ะงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูไปเลยค่ะค่ะได้ค่ะในประเด็ท่านต่อไปนะคง B B C อลไรใช่คง B C น้มาสการนำมัสการครับหลวงพ่อพระอาจารย์ผมอยู่เซียเตอครับผมฟังจากพระอาจารย์จาก y o u t u b บบ่อยๆนะครับแล้วก็แบบ ลองเข้ามาดูหลายๆซูมจะได้มาถามหาคำถามประจาย์นะครับมีคำถามไหมเพืนนีาา่ครั บ, บ, นนรบก็คือผมเนั่งสมาธิเองอะครับคือแบบนั่งมาเรื่อยๆครับก็เลยแบบไม่รู้ว่าถูกหรือผิดคือใช่พิธีดูลงหายใจแล้วก็ภาวนาผุดโถะครับแล้วสภาวะที่ผมเห็เป็นมีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือจะรู้สึกว่าเ อ, อเหมือนกับว่าช่วงแรกจะขัดๆนะครับแล้วก็ดูลงหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็จะแบบมีอะไรให้เข้ามาในให้เราคิดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วไปถึงจุดหนึ่งก็จะแบบลมหายใจมันก็จะสั้นลงสั้นลงแล้วก็นิ่งนะครับแต่ว่าจะนั่งได้ประมาณครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสีสิบห้านาทีแล้วมันก็จะแบบออกมาเองเลยครับคือก็ไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าบางทีมันก็มีกระตกขึ้นแบบช่วงที่ลมหายใจมันยาวพอมันสั้นปุ๊บมันกระตกขึ้นไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับก็นั่งไปตอนต้นก่อนจะมีสติพอนั่งไปนานๆเข้าสติก็อ่อนกำลังลงแล้วมันก็จะ สู้ความอยากที่จะลุกไปทําอะไรไม่ได้มันก็จะออกมาดังนั้นถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องเจริญสติต่อที่จบังครั้งให้มันดูลมต่อไปเรื่อพุดโธต่อไปเขาจะสามารถนั่งต่อไม่ได้คือ น, นั่งหรือไม่โอเคครับเหมือนเหมือนเริ่มรอบรอบสองตารอบสองไปเลยเหมือนหนังงนหนังในโรงนี่เขาฉายสองเรื่องนั่เอง เมื่องแรกจบแล้วว่าฉายเริ่มที่สองต่อครแล้วเรานั่งสมาธิพอเราบรอมนรกสี่สิบนาทีหมดกาลังก็อยากจะนั่งต่อก็พูดโธต่อพูดโธรใหม่แล่วดูลงใหม่ต่อครับต้องมีความตั้งใจต้องแล้ก็ต้องบังคับเลยพรามันตอนนัน้นไม่อยากจะนั่งนะมันอยากจะเลิกนะแต่ถ้าเราเลี้งถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการนั่งมาถ้านั่งต่อไปได้เราก็จะได้ความนิ่งความสงบเพิ่มมากขึ้นนานขึ้น ครับแล้วอย่างนี้คือคือจะรู้ได้ไงว่าตัวเองตัวเองเข้าฌานนะครับคืออ๋อถ้าเข้เาฌานนีจิตต้องนิ่งนิงเ <English. S 1> แต่ว่าเรามีความสุมากมจิตนิ่งเบาเหมือนอยู่ในอาวากาศเนี้่จิตบาจิตว่างจิตเย็นจิตสบายบไม่มีความคิดปุ๊บแต่ถ้า ม, มีก็น้อยมากถ้าจะมันก็ไม่มีแล้วพเข้าฌานนี่มันจะแบบ ช่วงเดียวหลือแล้วมันจะเด้งออกมาหรือว่ามันก็จะแบบไปอื้ออยู่ที่กำลังของสติถ้าใหม่ๆก็เข้าไปปุ๊บก็เด้งออกมาเขาเราียกคัิกะสมาธิต่อไปพอสติเราเนี่ยกำลังมากขึ้นมากขึ้นนั่งไปมันเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ได้นานขึ้น <Okay. S 1> ทันทีจะได้ออกมาทันทีก็จะอยู่ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ okay. แล้วจะถึงจุดไหนที่จะรู้ว่าควรจะถอนจากสมาธิมันจะเจริญปัญญานี่มายความว่าเจริญปัญญาในช่วงสมาธิหรือว่าหยุดไม่เจริญไม่เจริญปัญญาเลยปัญญานี้เป็นเอกเนื่อคนวาระกันเวลานั่งสมาธินี่ต้องการให้จิตนิ่งให้เข้าเข้าสมาธิเข้าฌานนานๆพ อ, อจากสมาธิมาแล้วก็มีทางเลือสองทางถ้าเราคิดว่าสติเรายังมีกําลังน้อยเราก็จะเลี้ยสติต่อ เดินไปพุโทโธพุโทโธไปต้องดูว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ mm. คอยควบคุมยับยัง้งไม่ให้คิดตุ่มแตกอันนี้ก็เป็นการฝึกสติต่อถ้าเรายังเห็นว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอนั่งสมาธิกวจะสงบนี้ใช้เวลามากก็อาจจะมาเน้นการสร้างสติตาก่อนแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีสติมากพอนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีก็สงบได้ ตอนอยากสมาี่มาแล้วก็มาหัดเจริญปัญญาเริ่คิดว่าคิดอนิจจทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นทรัพสมบัติก็ร้องเงินทองราบรศสรรสเสริญอะไเป็นขอไม่เที่ยมเลยน้อยไปเพื่อให้ใจปล่อยวางไ ม, ไม่ใไม่เกิดความอยากได้ราบรศสรรเสริญ ก็ถ้าอยากได้เดี๋ยวก็จะต้องเสียมันได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเสียเสียก็จะเสียใจทุกข์ใจถ้าไม่มีมันก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเวลาเจริญปัญญานี่คือเจริญปัญญาในเ อ, อชีวิตประจํำวันใช่ไหมครับไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราสามารถที่จะไม่ต้องนั่งหรือไม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องนั่งนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ คือพอจิตดาจากสมาธิเริ่มคิดตูกแต่ก็สามารถเอาความคิดตูดแตกนี้มาคิดทางปัญญาปกติเราจะถือกิเลสไปเอาไปคิดทางทางกิเลสอยากจะได้รถคันใหม่อยากจะได้บ้านใหม่อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวดีนั่นอยากอันนี้เปนทางที่ของกิเลสครับนาคิดว่าต้องอย่างไม่เทียบเที่ยวนั่นเดี๋ยวก็จบได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็พัง ทวนกระแสของของปิเลังงานขอบคุณมากครับอาาเพราะเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมีอะไรจิตจิตนี้ไม่มความมคจำเป็นจะต้องมีอะไรแม้แต่น่างกายก็ไม่มีใารจำเป็นจะต้องมีสอแล้วมันปล่อยวางตอนต้องก็ปล่อยวางของข้างนอกขอกของที่ไม่จําเป็นก่อนของฟุม่มเฟือยเขาองต่างๆน้่ก็มาปล่อย ่ายของที่จะเป็นก็แค่มันมีน้อยๆมีเท่าที่จะเป็นอยู่แบบมากน้อยสันโดษแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมันจะน้อยลงมากเพราะไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาการดูแลรักษาสิ่ง ต, ต่างๆอันนี้เป็นการเจริญปัญญาขอบพระคุณมากอาจารย์ครับนั่นมีแค่คำถามของพี่ครับ่าธุสาธุครั บ, บคุณปลว่าอะไรเช่น อยกเสียชาแปลว่าอะไรวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะยังไม่มีก็ไปที่คุณมสพพัฒนาเลยกลุณมสพพัฒนาเชิญอากบอกเวนธรรมาสตร์เจ้าค่ะผู้จารย์วันนี้มากาผอาจารเจ้าคะ่ะแล้วก็เอ<ม>จะมารบกวนขออนุญาตถามผู้จารเรื่องเรื่องที่ผู้จารย์บอกว่า การรักษาใจอะค่ะอาจารย์การรักษาใจฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินได้ยิการรักษาใจนี่ก็คือเหมือนกับว่าเราถ้าถ้าพูดอีกอีกในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเราเจริญสติก็คือการที่ไม่คิดปล่อยปล่อยไม่ไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องต่างๆเราก็อยู่กับกับตัวเราแล้วก็ถ้ามีความกังวลก็พยายาม ก็ควมันให้มันนิ่งไม่ให้มันไปวุ่นวายครับอะไรต่างๆไม่ให้ไปทุกข์ไม่ให้ไปวุ่นวายกับอะไรเลยไม่ให้ไปอยากได้อะไรก็ค่ะพอดีวันนี้อก็มีโอกาสได้้คุยกับแม่จะบอกกับแม่ว่าไม่ได้ไม่ได้สอนแม่นะเหมือนกับว่าให้แม่คลายกังวลให้ทําใจให้ให้สบายที่สุดอันนี้อันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถูกต้องทําใจสบายให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยว่า ค่ะเพราะว่าแม่ก็ก็เหมือนกับยังไม่ได้ไม่ได้เรียนการภาวนาเพียงจะบอกว่าให้มไม่กังวลทําให้ใจสบายที่สุดมีความกังวลก็ให้ตัดออกมนทําไม่ได้ทําให้ใจสบายมันก็ต้องมมันก็ต้องรู้จักจเจริญสติต้องใช้พุทโธพุทโธนีเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ก็มีเอาอย่างที่พระอาจารย์สอนระยมรยมทําอยู่ยมก็ไปบอกให้แม่ทําด้วยว่าให้ให้พุทโธพุทโธไว้อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ ต้องบอกวิธีว่าทำใจสบายทำอย่างไรเจ้าค่ะไม่ใช่บอกให้ทําใจสบายแต่ไม่บอกวิธีก็เขาก็ไม่รู้จะทานะคมันสบายเจ้าค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือหบอกแม่ว่าถ้าถ้าโสดว่านั่งเฉยๆก็ให้พยายามพุดโธไว้ถ้ารู้ว่าตัวเองคิดก็ให้กลับมาพุดโธโยมก็ทําเหมือนที่พระอาจารย์สอนมาแล้โยมก็หัดถ่าอยู่แล้วก็ไปสอนง่ายไปบอกแม่อีกตอนหนึ่งเนาะค่ะได้บอกได้ไม่เป็ไรเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็พยายามเพียนเพียนไปแล้วก็ค่อยๆค่อยคําชับกับแม่ไปด้วยนะคะพระอาจารย์ฝ<ม>ึกสติแล้วก็มีสมาธิอันนี้ก็มีนั่งสมาธิได้ดมากขึ้นค่ะนั่งโดยที่มีความรู้สึกตัวค่ะพระอาจารย์ไม่หลับไม่หลับนะฮนะต้องกรเคลิ้มแล้วเคลิ้มคมมันสต่ยจค่ะตอนนี้พยายามให้มีความรู้ตัวตลอดเลยตอนไปคิดก็กลับมาที่ที่อการหายใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอคุณเจ้าค่ะพระอ า, า, าจารย์อาจารย์สายทิมจากมหาสารคารด้วยความก่นนวันนี้อยู่ที่ไหนค่ะกับนวัตสการ์พระอาจารย์ค่ะช่วงนี้อยู่ขันแก่นค่ะเวิร์กเวิร์กฟอมฮยาวค่ะมีคำถามอะไรไห อ, อวันนี้มีมีคำถามค่ะได้ฟังพระอาจารย์พูดถึง ว่ามีโยมคนหนึ่งน่าจะเป็นอุบาสิกาค่ะแล้วท่านสามารถบรรลุธรรมโดยที่เป็นโยมค่ะเป็นพระอรหันต์ก็เลยอยากรู้ว่าอ่ท่านปฏิบัติยังไงค่ะเพราะว่าเผื่อเราไม่สามารถไปบวชได้แล้วว่าบ้านเราก็ค่อนข้างสับปลายะค่ะที่บ้านปล่อยให้เราได้ปฏิบัติคือแบบปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเขาไม่ยุ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านทํำยังไงค่ะก็ท่านทําใจให้เฉยกับทุกอย่าง เห็นอะไรก็สัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สัตว์แต่ว่าได้ยินไม่ไปวุ่นวายไม่ไปโน่ประหยัดไปโกงไปหลงทำอะไรทำใชเฉยๆได้ไหมพยายามฝึกค่ะทําได้ก็บรรลุได้ใครด่าใครใครด่าก็เฉยใครชนก็เฉยใครขโมยเงินเราไปก็เฉยอะไรนทุกอย่างให้เฉยให้หมด ไ้ก็คือก็คือวางทุกอย่างให้ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ไว้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางเราไม่เราไม่ีหน้าที่เฉยอย่างเดียวค่รู้อย่างเดียวรู้เฉยๆค่ะตอนนี้ยังทําไม่ได้ค่ะก็ต้องาเจริญสติกับปัญญาเนีสองตัวที่ยังทำาห้เราทําได้ต่อไปก็คือเจริญสติกับปัญญา สลับกันให้มากม า, มากอตอนต้นจังรังสติให้มากมากครับให้จิเท่าเบกขาจะได้เฉยได้นะครับจากนั้นก็มาสอนจิตให้มีปัญญาเพื่อที่จะได้รักษาความเฉยให้มันเฉยต่อไปนานๆอืมค่ะก็เหมือนแบบมีปัญญาที่รู้ว่าอะไรก็มันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะใช่พอเราไม่ยึดมันก็ปล่อยได้อ่ใช่ค่ะแต่ว่าต้องต้องระลึกถึงตรงนี้เรื่อยๆอืา อืเราทําได้ไม่ใช่เราเลิกเราเลิกเราทําไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้เราเลิกเราทำให้ได้ค่ะก็คือถ้าเรายังไม่ได้เราก็ก็สู้ใหม่นะคะพอาจารย์เหมือนเราถ้าเราแพ้เราก็เอาใหม่แล้วก็พยายามทําให้ได้ขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะมีมีเอพยายามรักษาสินตั้งแต่รักษาสินแปดค่ะพระอาจารย์ทีนี้ในห้องเองมันใหญ่เลยลองเอาขึ้น แล้วก็เออให้มันจะทับเราตายถ้ามันล้มลงมาก็เลยอ่ะก็ก็เลย ก, ก็เลยเลยัยงต้องก็เลยนอนที่นอนเหมือนเดิมคะ่ะพระอาจารย์ตอนแรกก็ยกขึ้นเตียงมันใหญ่มากคะ่ะลองอลองยกแล้วทับไว้ที่ผนังคะ่ะแล้วก็มองว่าทับลมทับจะตายแน่คะ่ะพระอาจารย์ก็เลยเออก็เลยเอางั้นนอนแบบนี้ไม่ติดอย่างเงี้ยได้ไหมคพระอาจารย์คือจริงๆเราไม่ได้อยากนอนนอนพื้นก็ได้คะ่ะ นอนพื้นก็ได้ขนนอนพื้นไม่ได้นอนแต่มันเบียที่อยู่นิดเดียวเองค่ะพระอาจารย์ในห้องก็เวลานอนเวลานอนมันก็ไม่ได้ใช้ที่มากไปเะยที่นอนอ่านั่นก็คือถ้าตั้งใจจริงๆก็เตียนก็วางมันไปแล้วก็หาทุมของเราไปใช่ไหมคะแล้วก็นองกับพื้นไปมันมีทพื้นแน่นอนได้ไม่ได้องมีอยู่ค่ะค่ะอืมได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ หรือถ้าเราเรานอนแล้วติดใจก็ต่อไปก็ยกเตียงออกไปเลยขายเตียง ไ, ไม่มีใครเอาเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าเอาเตียงไปทีทุกคนบอกไม่เอา <c oughs> เก็เลยมันก็ยังอยู่ในห้องค่ะมันต้องมีคนเอาเลยเคบอกคนที่ไม่เอาเขาก็ไม่เอาเน อ, อเราอาจจะเกรงใจคนที่บ้านบอกให้แต่คนที่บ้านกับพระอาจารย์ยังไม่กล้าบอกคนนอกบ้านว่าเอาอไปทีพวกคนในบ้านงอนค่ะโอเคได้ค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวถ้าไงก็อาจจะนอนที่พื้นๆห้องไปก่อนค่ะลองดูไปก่อนน ะ, ะไม่ไม่มีคำถามอะไรเพิ่มแล้วค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ ะ, ะคุณคนเร่อยากกุชาร์คุณคนใดอยากกุชาร์อยูอ่ที่ไหนไมิวบายกบบ็ปวดมาพระอาจารย์สวัสดีทุกค พอดีใช้คนละเครื่องกนเอาจารใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีวนีใช้คนละเครื่อนนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้า่ะพอดีหนูได้อ่านหนังสือเล่มเนี้ยค่ะของพระบัณฑิตแล้วเจ้าค่ะอัน่เห็นไหมคะเห็นตัวัตพอดีหนูอ่านแล้วหนูก็เกิดสองคำถามนะคะคือคำว่าบรรฑิตกับอระสมบัตินะมันนมีเสียงมีเสียงข้างหลังมงหรือเปลเลอะเลอะเป็นตเสียงห่ยไม่มีเสียงมันเสียงย้อนเข้ามา ถามใหม่ไหมคะอาจารย์คะคือพอดีหนูอ่านหนังสือของพอาจารย์บัณฑิตอต่เจ้าค่ะมีคําว่าบรรพชากับอุปสมบทในวันเดียวกันนะคะก็เลยได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงอะค่ะเขาว่าบรรพชาก็คือการบวชเนนไงแล้วก็อุปสมบทก็คือการบวชพระแล้วทําไมถึงเป็นวันเดียวกันนะคะหนูในวันที่ก่อนจะก่อนจะบวชพระได้ต้องต้องบวชเนรก่อน ในเวลาเราไปงานบวชในข้าบวชสองอย่างพร้อมกันไปเลยตอนตอน้อยเข้าไปในโบสถ์ปางนุ่งขาวขาวว่าไปเข้าไปบวชเป็นเนนก่อนอาจารย์สัญญาสัญญาณหายอะค่ะโอเคพูดใหม่ได้ยินหรี่ยัได้ยินแล้วค่ะอการบวชที่เราไปเนี่ยเข้าบวชสองอย่างไล่กันไปเลยขั้นต้นก็เข้าไปในโบสถก็ขอบวชเนรนก่อนถือขอสินขอสินสิทก่อน เป็นเนนกันเนนจะถือศีลสิบเมื่อบวชเป็นในนนะเขาถึงจบวชเป็นพระให้ทีเขามไม่เขาจะไม่บวชจากคารวะไปเป็นพระเลยเด็ตรงไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกคนต้องต้องผ่านการเป็นเนนก่อนต้องนประชาก่อนถึงจะรผสมบทได้อาจารย์เจ้าขาแล้วถ้าสมมติว่าเอลูกอะค่ะบวชเนน ไม่ไม่ใช่ทำอมยุตอหามาหารใกายอะค่ะแล้วก็สืกเสร็จแล้วพอก็เป็นผู้ใหญ่เขาจะไปบวชเข้าวัดที่เป็นธรรมยุธเนี่ยทาได้ไหมคะได้พเสร็จแล้วก็ถือว่าหมดหมดหมยขาดตอนไปแล้วจะไปบวชที่กายใหม่ได้ที่ไหนก็ได้อเค่ะรเป็นคนดสุณ่าแล้วเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณพพิเศษ่ะใช่คุพพิเศษเออทุกคน า ก, การนวัตสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับพระอาจารย์ครับได้ยินชัดเจนชัดเจนครับเข้ามากาบนวัตส ก, การพระอาจารย์แล้วก็อยากจะสอบถามพระอาจารย์อีกนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ <Okay. S 2> ก็คือก็คือว่าคนออันนี้อันนี้ความเข้าใจของผมเองนะแต่ว่าคนทั่วไปเ้ามองว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นแค่บางบาง ที่เนี่ยเขาจะมองว่าเป็นแค่พระ อ, อิปพระปูนแต่ว่าในในในสิ่งที่ผมเข้าใจผมเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าพุทธลูกก็คือตัวแทนพระเจ้าถ้าเรามองอย่างถูกต้องในใจเราจะสงบลงหน่อยนึงหรือจะเป็นอ่าผมนึกถึงสิ่งที่อยู่ในมงคลอ่สามสิบแปดประการที่บอกว่าการพบสมณะถือว่าเป็นบุญ แต่ว่าการพบสมนะของคนทั่วไปก็คือพบผ้าจา์อย่างเงี้ยพบอาจารย์ไปบินธบาตอย่างเงี้ยคนคน ส, นส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าในสาหรับผมเองผมเข้าใจว่าหนึ่งก็คือการการพบพระอาจารย์อย่างนั้นประเด็นที่หนึ่งถ้าเราน้อมความสงบความอะไรของท่านมาใส่ใจเราเราจะรู้สึกสงบลงหน่อยหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเจอที่เป็นรูปก็ได้เป็นรูปของท่านแล้วนึกเอารูปตัวนั้นมา ความสงบในใจของท่านมาใส่เราก็จะรู้สึกสงบลงหน่อยหนึง่งมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หรือนึกเอาเฉยๆก็ได้นึกเขียนภาพท่านเฉยๆก็ได้ก็จะเกิดความสงบขึ้นในใจหน่อยหนึ่งก็คือเกิดเกิดความสุขขึ้นในใจหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าดังนั้นอ่าการเห็นพระพุทธรูปถึงจะเป็นพระอิฐพระปูนก็จริงแต่ถ้าเห็นอย่างถูกต้องเนี่ยโดยความเข้าใจผมเองนะผมเข้าใจว่ามัน ทำให้เราเกิดความสงบได้ก็คือนึกเอาถึงพระกรุณาที่คุณพระมหากริญบริสุทธิ์ที่คุณของพระุทธองค์มาใส่ในใจเราในในบทท่องสรรเสริญพระพุทธเจ้ า, านะครับพระอาจารย์อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องหรื อ, อยังครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องเป็นรูปเหมือนเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปก็เป็นเหมือนรูปของพระพุทธเจ้าเน่ยวันเราเห็นพระพุทธเจ้าเร า, าก็มีความมีความสุขมีความสงบ พเราเนือกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าหรือเรารู้มาก่อนแนละ้วว่าท่านพระพุทธเจ้าเป็นอย่งไรเพราเราเห็นรูปของท่านเราก็ะไรเกิดความความสุขที่เกิดจากการได้เห็นได้กล่าวก็ไม่เสียหายทางไหนก็ดีเพียงแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดไปเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผิดนะเช่นมันหวยออกก็ไปกราบพระสุดทุกเทียนสามดอก หนึ่ขอให้ถูกหวยหน้าม้วนนี้นะถ้าอย่างนี้แล้ไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ถูกหละกของ้องพุทธลูกนะครับแต่เขาชอ บ, บอันนั้นก็เรื่องของเขาเลยนะครับที่เขาบอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้แต่ผมมองว่าคือในความเข้าใจผมก็เข้าใจว่ามันมีอยู่ในมงคลสาสิบปดประการก็คือการเห็นสมณะนี่ถือว่าเป็นบุญแต่ว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นกุศลบวญบ่ายตั้งขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปหรือเป็นรูปของครูบาอาจารย์ ปั้นไว้เนี่ยเพื่อให้เราลึกถึงคุณงามความดีหรืออะไรอย่างเงี้ยของของผู้ได้เจ้าแล้วก็สงสาวอกของผู้ได้เจ้าอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ถูกต้องแต่เราตเข้าใจว่ามันมีเจตนามีเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหนถ้าไปผิดเจตนาลงมันก็กลายเป็นความหลงไปครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ <Okay. S 1> สอบถามพระอาจารย์เป็นครับใช่สาธุฉะนันคุณท่านน่ต่อกี้แปน ถามแล้วคุณธนาพลมีอะไรจะถามไหมน้อมสการครับอาจารย์คือก็บางเดี๋ยวนี้มันทีคําถามบ้างคําถามมันก็มันก็สรุปได้ได้เองครับมันก็แล้วก็มันก็มีความประจักษ์ขึ้นมาเองครับคราวีสุดท้ายแล้วมันก็มาอยู่ที่ตัวเองไะถ้าเราถ้าเรารักษาความเพียรไว้เราทําให้มากเราปฏิบัติให้บ่อยมันก็มันก็จะคงตัวอยู่อะครับ ถ้าเราห่างไปปุ๊บมันก็มันก็เหมือนหมดกําลังนะครับอาจารย์ครนี้เวลาเวลาขับรถนะถ้าเราคอยเหยียบคันเร่งไว้รถมันก็พุ่ง<ช>เลยถ้าเราผ่อนคันเร่งบางมันก็ชะลอตัวลงใช่ครับเดียวมันใช่ครับคราวนี้พอดีมันมันมีมีมีมีคำถามแว บ, บมาเมื่อเช้าเนี่ยครับคือคืออาการที่เรียกว่าเป็นปิติเนี่ยครับคือบางครั้งเนี่ย เราก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นสภาวะที่เราเราเองเหมือนกับมันเป็น <elder. S 1> เหมือนเราเคยเจอแล้วแล้วมันเราเราไปสร้างมันขึ้นมาอะไรอ่าี้ยครับบางครั้งเราก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันมากว่าอาการมันเกิดเพราะว่าเพราะว่าเราเราสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่ามันมีทางแล้วเราเคยเห็นแล้วเราก็เลยพูดไปไปเจอตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอาการตัวเบาหรืออาการอะไรเงซึ่งซึ่งเราก็ก็ตามตามที่ได้ ฟังพระอาจารย์ก็คือเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่ได้ไปยึดกับมันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มันก็เกิดความลังเลยขึ้นเหมือนกันปางครั้งนะครับเออะไรถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันดีก็รู้ว่ามันดีถ้ามันไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่ดีก็อถ้ามันไม่ดีแล้วก็พยายามไปอย่าไปยุ่งมันอย่าไปส่งเสริมมันถ้ามันดีแล้วก็ส่งเสริมมันไปก็มาใช้ประโยชน์ได้ ก็<ต>เลยพยายามก็ไม่แต่ก็ไม่ยึดติดก็รู้ว่าไม่เที่ยมไม่เกิดไม่ดันะก็ไปครับก็้ก็ไม่ก็พยายามไม่รู้สึกยินดียินไลกับาการพวกนี้พยานาเป็นใจล่างไปนะครับครับแต่ว่าแต่บางทีมันก็มันก็พาสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเรามาปิดทางหรือเปล่าเพราะก็อย่างที่ครั้งก่อนก็เคยสอบถามผูาการก็พยายามจะเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าเออเรา เราโดนกิเลสหลอกบ่างหรือเปล่าหรืออะไรนะครับถ้าไม่อยากจะถูกหรอกก็พิจารณาเป็นตายรักไปครับครั บ, รบก็เลยได้ข้อสรุปอย่างอย่างที่กล่าวตอนแรกเพราะว่าว่ามันก็อยู่ที่เราเลยครับถ้าเรา<ม>เราเพียรเราทำปล่อยๆทําให้มากมันก็นกมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับนคครับ้ใช่ก็ไม่มีคําถามครับอาจารย์ก็ขออนุญาตครับได้<ม> ยังไปคอที่ไปที่ท่านต่อไปนะนุ่มที่ว่านุมที่ว่าอยากขอทมงบราชการจะหาผ้าจานไม่มีคําถามเดิมจ ะ, ปะ่ปไปที่คุณนายฝนธนธนกรนะวันนี้มากราบพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพครับวันนี้เข้ามาเปครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองที่ไม่มีคําถามครับก็แค่ฟังทำพระอาจารย์แล้วก็ ตอนนี้เหลือแต่ปฏิบัติตามพระอาจารย์แล้วแหะครับดีพยายามปฏิบัติให้มากมากนะควันมันจะได้เกิดมากๆครับครับผมครับวันอยู่ที่อยู่ที่เหตุคือการปฏิบัติคนวะามสบความสบายใจความทุกข์น้อยลงไปนี่เกิดจากการปฏิบัติที่มา่ครับผมยเป็นพยายามปฏิบัติให้มากเรียกสุปฏิปันโนครับปฏิบัติให้เต็มน้อยสุปฏิปันโน นะโอเคนะครับผมวันนี่คุณสุวัตตราจาก Dallas, Texas เทคค็กซัสตรากลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะวันนี้นะขอร่วมฟังนะคะ่นะด้ยดีที่ได้พบเห็นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ<า>โอเคคุณรักเลยรักได้คุ ณ, คณ คุณคุรักครับครับอ๋ออ๋ อ, อ, อ, อ, อครับกับนับสกสงกาทรท่านพ่ออาจารย์ครับ<อ>คือก็ออผมมีคําถามมีมีคําถามนะครับมีคําถามว่าเอ่อการการที่เราปฏิบัติแล้วเอ่อไปถึงพระ อ, อริยะบุคคลหรือว่าเป็นเป็นพออาาระอรหันแล้วเนี่ยแต่ว่าแล้วเจ้าเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยทําในอดีตชาติมาครับแล้วเขาเขาจะยังมีความเครียดแค้นมีมีความโกรธมีอาฆาตไถ่บาทเราอยู่หรือเปล่าครับ ที่มันเดิมไม่เกี่ยวไม่เกี่ย ว, วเขาเราก<ม>ารเป็นอริยะของเรานี่เป็นเรื่องของเราเท่า น, ค น, คนั้นเองคนผู้หน่งเขาก็หนึ่งเขาก็ไม่รู้พรามันเป็นเรื่องภายในจิตใจเราสองถ้าเขายังโกรธเกลียดอยู่เจ้าเวจยำ ก, กรรมอยู่เายังโกรธเกลียดจยำเวนยำกรรมต่อไปพระนารายณบางลูกจะต้องถูกเขาฆ่าต า, า, ายพระโมกตลานะํากรรมยำเวนก็ อย่างกดแขนงกดเขยยังต้องฆ่าท่านอยู่ท่านต่ใจท่านไม่เดือดร้อนท่านเองใจของพระนี้ไม่เดือดร้อนกับพระถุกว่าจองแทะจเออจงกรรมจองเวรอะไรต่างก็ถ้ามีคํำถามมีจานี้นะยังไงพยายาปฏิบัติให้ไปถึงผ้าระยะเป็นตานานได้แล้วจะสบายใจ ใ้รกะกดแค้กดเทงเราห้ามไม่ได้เขาจะฆ่าเราเราห้ามตอไม่ได้แต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนครับมีคาถามอีกค้นนึงครับอจังครับอยู่ที่ไหนะพี่อยู่ระยองครับพ่จังระยองครับท่านต่อไปคุณยศิษย์ะคุณยศิ์อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ระยองรับจชีชาอยู่ที่ไหนอยู่บางแสนครับา่อจันแต่ตอนนี้กับ ครับตอนนี้มาอยู่บ้านที่ตรังครับอาจารย์มากลับ uh huh. มาอยู่บ้านแพอากาศหน้าตาบวมหเลยครับอาจารย์ uh huh. วันนี้มีคําถามครับพระอาจารย์พอดีผมได้ข้อมูลมาว่า อ, อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอาจารย์อย่างหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวอะไรประมาณเนี้ยครับคือเวลาเวลาอยู่ในห้องเวลาท่านอยู่ในในในกุฏิหรือเนี่ยท่านจะไม่มีพระไม่มีพระอยู่เพราะว่าเวลานอนเนี่ย ่กลัวว่าอากัปปิยาจะจะจะไม่ไม่ไม่เหมาะไม่สมควรเงนี้ยครับอาจารย์คือคือผมมามาถามว่าอ่ตัวผมเองอยู่ที่ตอนอยู่ที่บางแสนนะครับผมอยู่เป็นคอนโดแล้วมันเป็นห้องห้องเดียวครับอาจารย์แล้วผมมีพระอยู่อยู่วางอยู่เต็มหมดเลยครับแล้วแล้วเป็นอย่างนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องเอาออกหรือใส่ตู้ไหมครับอาจารย์คือผมผมกังวลนะครับผมคือพันธจริง ครัก็จะร่วมต่างๆนี้เป็นเพียงวัตถุก็ไม่รู้เรื่องเราอว่าเรายู่ในสภาอะไรอย่างไรไม่ไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจัดการอะไรกับท่านแต่ถ้าในสายตาของของคนอย่างพวกเรานี่บางทีก็ไม่อยากจะให้มีพระอยู่ในห้องนอนเราก็แบบได้ก็ก็ถึงมีห้องพระเขาจัดห้องพระไว้พอเวลาเราเข้าห้องพระเราจะได้สํารวจเราได้ทำ ตัวเราให้เหมาะสมกับการที่อยู่ต่อหน้าพระแล้วเหมือนพระอยู่มันมันหัวนอนวางมันหัวนอนเวลามันสมควรเก็บไหมครับอาจารย์เพื่อเพื่อเวลาทําอะไรไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับอาจาถ้าเราคิดว่ามันไม่เหมาะสมเราก็ย้ายไปไที่อยู่อีกขณะแล้วเวลาเรากราบพระเราอยเอาโอมมาวางแล้วเวลาเงี้นเราก็เข้าตู้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ได้ไหมครับ เราลองทํำดูเลยอยู่ที่เราอยู่ที่ความสบายใจของเรา <c oughs> คือคือก่อนหน้าเนี้ยผมเล่นพระเครื่องแล้วพระเต็มห้องไปหมดเลย <c oughs> คือวางไว้วางไว้ววไวที่สูงนะคะรับอาจารย์ <c oughs> แต่คือเมื่อกี้เมื่อกี้มาเจอข้อมูลก็ว่า ว่าอย่างพ่อแม่ครัวอาจารย์เนี่ยจะไม่ไม่ไม่เก็บพระไว้ในห้องเลยเพราะ<ม>ในห้องนอนเลยเพราะว่าจะแยกสัด ส, ส่วนห้องพระก็ห้องพระแต่ผมอยู่เป็นคอนโดมันไม่สามารถแยกเป็นห้องได้ครับอาจารย์ก็เลยมาถามอาจารย์ว่าเร <จง S 2> าต<น>้องเปิดในตู้โบราในตู้ก็ถือว่าเป็นอีกห้องหนึงก็แล้วกันเอื้นทางเดินครับเพราะว่าอยากจะอยากจะการาบก็เปิดตู้เปิดห้องพระครับอาจารย์ มีเท่านี้ใช่ไหมมีเท่านี้ครับพระอาจ า, ศารย์โอเคครับที่คุณคุณเป็นตอนคุณป็นใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์นามสการเจ้าขาพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่อยู่อุดรเจ้าขาพระอาจารย์เคยถอ๋อมีมีคําถามอยู่เจ้าขาพระอาจารย์พอดีว่าได้ได้มาฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วคือได้มาฟัง ญาติธรรมบอกว่าก็คือเขามาถามพระอาจารย์อ่ะเจ้าค่ะว่าระหว่างอยู่บ้านกับอยู่วัดนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยลองลองเปลี่ยนบรรยากาศไปที่วัดดูเจ้าค่ะแล้วก็ได้ไปอยู่กูดคนเดียวแล้วก็เกิดเกิดความกลัวมากเจ้าค่ะพระอาจารย์คราวนี้ก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าแต่ว่าในในความกลัวมันก็มีมีความสงบอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่แน่ใจว่าคือเราได้ประโยชน์อะไรจากการฝึก ความกลัวย่างนี่เจ้าขาพระอาจารย์คือเราอยู่คนเดียวเราเราได้อะไรจากตรงนั้นตอนที่เรากลัวคือเราเราไม่เห็นประโยชน์เจ้าขาแต่พอพอผ่านมันไปได้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ทําได้อย่างนี้เจ้าขาพระอาจารย์คือความกลัวนี่มันเป็นความทุกข์ไปเราต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เราก็ต้องไปหาที่ที่มันทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเราจะได้พิสูจน์ดู ว, ว่าการปฏิบัติของเราเนี่สามารถดับความกลัวได้หรือเปล่า ระดับได้ต่อไปแล้วก็จะไม่มีความกลัวแก็กลัวน้อยลงไปก็ได้ออเพราะว่าวันแรกรู้สึกกลัวมากเจ้าค่ะวันที่สองก็คือกลัวกลัวน้อยลงมาแต่วันที่สามก็คือเริ่มเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วเจ้าค่ะอาจารย์สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจว่าความกลัวหมดหรือไม่หมดบางที่ท่านก็ต้อเปลียนที่ใหม่ถ้าตรงนี้มันชินแล้วมันจะไม่กลัวกาเราไปหาที่ใหม่ที่มันก็ ก, ก็ ก็ว่าจะลองเปลี่ยนอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าวัดที่ไปก็คือมีหลายมุมเจ้าค่ะมุมป่าก็มีมุมอยู่ห่างไกลคนเดียวก็มีมเจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามไปฝึกให้มันไม่กลัวแต่อย่าไม่อย่าให้มันไม่กลัวเพราะมันความเคยชินให้มันไม่กลัวด้วยสติเช่นเวลาีหลีเวลาเลากิดความกลัวขึววน้นมาเราประสูจน์วไปนึกพุโทโธไปอย่างนี้จะดีกว่า แต่แต่บางทีก็ไม่ไม่มีสติเจ้าคะ่ะเอาไม่อยู่เจ้าคะ่ะฟุตโทก็ไม่อยู่คือคือกลัวมากอย่างนี้เจ้าค่ะพระอ า, าจารย์อธิบายว่ายังไม่ได้รับไปอยู่ว่ามันาหายกลัวจากการที่เราไปมีความเคยชินกับมันหรือว่ามันที่มันปลอดภัยแล้วเราก็เลยไม่กลัวอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าเราสามารถดับความกลัวได้ด้วยสติเช่นเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ไปหรือท่างท่องฟุตโธไปจะกระทั่งจิตสงบน้ำความกลัวก็หายไป นี่ต่อไป<ต>เราเราไม่ต้องไปหาที่กลัวแล้วเพราเรารู้ว่าเราเราปราบความกลัวได้แล้วแต่วันสุดท้ายก็คือพุทโธตลอดเลยเจ้าค่ะคือวันสองวันแรกพุทโธไม่ได้แต่วันสุดท้ายนี่คือนอนนอนกับพุทโธนอนกับลมหายใจเลยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ดีแล้วครั้งต่อไปก็เราไปเปลี่ยนที่ ท, ที่ที่ใหม่ดูแล้วก็เอาเกิดความกลัวก็เราใช้การสวดใช้การพุทโธอ๋ออย่ า, าอย่าให้มันอยู่กับไปจกนกวามันเกิดความเคยชิน เราเคยคนเคย ท, ทีถ้ามันว่าปลอดภัย้ะมันก็จะไม่กลัวเจ้าค่ะแล้วเราอย่างวันนี้ไปทํางานเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเจอเพื่อนร่วม ง, งานที่ที่แต่ก่อนเราปุงแต่งว่าคนนี้เราชอบเราไม่ชอบแต่พอผ่านความกลัวมาได้เราก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเขาเพราะว่าเหมือนแบบว่าพอขั้นสุดท้ายที่เรากลัวมากๆเราก็ไม่ได้คิดถึงหน้าเขาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือไม่มีไม่ได้มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเองล้วนๆตัค่ะอก็ดีแสดงว่าจิตเรามีความสงบมีโมเบกาความล่งความชางมันก็ลดน้อยลงไปก็ดีการฝึกฝึกแบบนี้มันทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่เลือกทีรันมั่ทีช็นยินดีตามดีตามเกิดเจอใครก็ได้ไม่เจอใครก็ได้ แล้วเราวทำไมเราเราจะต้องเปลี่ยนที่เจ้คาค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าคือทำไมเราจะต้องฝึกจิตให้ให้แบบไม่กลัวอย่างนี้เจ้คาค่ะพรอาจารย์ก็เปลี่ยนที่เพื่อไปพิสูจน์ด้วว่าถ้าเป็นที่ใหม่เรายัางกลัวกลัวไหมอย่างนี้ถ้ากลัวแสดงว่ามันความกลัวมันหายไปเพราะเราเคยชินกับพื้นที่อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความกลัววิธีแก้ความกลัวต้องแก้ด้วยสติหรือปัญญาะะนะพิจารณาอา พุทโธพุทเวลาเกิดความกลัวแล้วก็สวดท่องพุทโธพุทโธไปยังกระังจิตสงบแล้วความกลัวก็หายไปถ้ามันหายแบบนี้แล้วเราไม่ถ้าเราพยายามที่มันที่จะใหม่อ ย, ย่างไงมันก็จะไม่กลัวถ้ามันกลัวมันกลัวมันก็จะรู้วิธีหยุดมันได้ด้วยการใช้พุทโธพุทโธไปอืมเจ้าค่ะอย่างวันนี้แบบคือเรื่องการปุงแต่งก็คือน้อยมากเจ้าค่ะวันนี้ก็คือพูดกับเพื่อนร่วมงานน้อยมากเพราะว่า เพราะมันมันไม่คิดเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่รู้ยังมีสติมากขึ้นจิตสงบมากขึ้นอ๋ออ่าไปไปอยู่กับที่ที่น่ากลัวมันก็จะช่วยได้มันช่วยเพราะถ้ามันไปคิดตัวเดียวจะเป็นบ้าได้เวลามันกลัวมากๆอ๋อเจ้าค่ะแลอย่างเนี้ยแล้วเราเราอยู่กับมันได้ไงเวลามันกลัวเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาทํำยังไงก็คิดพุทโธคือ มีสติคือเยทเท้าเหยียบพื้นนี่คือแบบมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าบางทีถ้าเอาไม่อยู่ก็คือบางทีก็จับโทรศัพท์บางทีก็พุดโธบางทีคืออยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำยังไงก็ได้คือให้อยู่กับตัวเองเจา้าค่ะไม่ให้ไปคิดแตงเรื่องความกลัวต่างๆก็คิดแต่ถ้าก็คิดว่า ต้องกลับมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นเราจะต้องเป็นบ้ากลับไปแน่เลยเจ้าก็คือกลัวมากจากนถึงทั้นที่ว่าอโอ้ยแบบจะมีชีวิตรอดกลับบ้านไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็คิดว่ายังแก้ความกลัวไม่หายยังคิดว่ายังจะต้องเปลี่ยนที่จนกว่าจะหายกลัวเจ้าค่ะพระอาจารย์เอ่มันต้องแก้มันต้องแก้ที่สติหรือแก้ที่ปัญญาคือต้องบอกว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่เที่ยงทุกวันนึงมันต้องตาย เราต้องยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้แล้วต่อไปมันจะไม่กลัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอือคือเหมือนเหมือนเราต้องยอมตายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ยอมตายแบบว่าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะยจะตายก็ไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครห้ามมันได้เราต้องทําใจให้สงบเป็นอย่างเดียวยอมตายแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กลัวความตายที่ต่อไป ต้องต้องใช้เวลาฝึกนานไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่าก็อาศัยความน่าแต่<ส>เราแต่เร า, ในในราน่าแต่ความเจริญน้าแต่ความประหยัดของยยเราเจ้าค่ะถ้าเราเจราญเห็นเห็นความจริงเราเห็นว่านั่งกายมันต้องตายแนย่ๆยอมตายท่เลยจะได้วมดเรื่องหมดรา ว, ว, ว, ว, วพอมันยอมแป้บจิตไม่ก็อยหายหกลัวจิตไหมก็จะสงบแล้วก็จะหายกลัวเจ้าค่ะ ก็ต้องไปลองทำทำอยู่เรื่อยๆวันนายวันหนึ่ง่าจจะตรงได้ยอมได้นะเพราะเวลาผงไม่ได้มันทุกขมันทรมานใจมากเห็นไหมคือถูกมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าผลผลที่ได้ก็คุ้มเหมือนกันนะเจ้าค่ะอ<พ>าจารย์แต่ตอนกว่าที่จะผ่านมันไปได้โอ้ <laughs> ใช่ก็ดีไงถ้าเราไปอยู่ที่ปลอดภายมันก็จะไม่มีผลอย่างนี้ให้เราได้ได้สัมผัสรำลูกใช่ไหม ก็พอดีฟังพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าคือถ้าอยู่บ้านเราเราจะไม่ทราบว่าผลการปฏิบัติเราเก้าวหน้าหรือว่าอยู่ที่เดิมยังไงเจ้าค่ะ<ม>ก็เลยลองก็เลยลองออกไปดูเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปไปสนามจริงก็รู้สึกว่าต่างกันเจ้าค่ะ<ม>คือวัดมีกฎระเบียบ<ม>คือไม่คืออยู่บ้านใช่เราถือศีลแปดแต่ว่าอยากกินน้ําก็ไปหยิบมากินเอี่ยทําอะไรก็ได้แต่คืออยู่วัดท้องร้อง ทั้งคืนก็ต้องปล่อยให้มันลองเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือท่านให้ฉันมือเดียวนะเจ้าค่ะเราจะได้ฝึกจิตใจของเราไม่ใช่ไม่ให้อาศัยอยา่อางอื่นมาควบคุมจิตใช้สติใช้ปัญญาของเราแต่แต่ว่าคือเหมือนอยู่วัดนั่งนั่งสมาธิไม่ได้เนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาศัยการจริอสติเอาเหมือน เหมือนมันแปลกที่แล้วเหมือนไปบังคับมันเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเป็นข่มเกินไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะเริยนสติไปก่อนจะแล้วสติเรายังมีกำลังไม่มากอ๋อเจ้าค่ะมีเท่านี้ใช่ไหมมีอะไรมีมีมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อ okay. พยายามทำต่อไปไปบ่อยๆนะไปหาที่กลัวๆอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ แล้วจะมารายงานผลให้ทราบจ๊กไดค่ะสาธุต้องค่ะป้ะอาานคุณเอวาเอวาใช่คเายู่ที่ไหนกลับนรรส ก, การอาจารย์ค่ะอยู่โคราชค่ะมีคำถามไห ม, มคำถามค่ะแต่ก่อ น, นเวลาฝึกนั่งสมาธิค่ะมันจะต้องใช้เวลานานกว่าเราจะรวมสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องไปดึงกลับมา พอหลังๆปกติไหว้พระสวดมนต์มาแล้วค่ะหลายปีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยหลังๆพอมาเจริญสมาธิมากขึ้นนะคะสามารถพอจะรับรู้ได้ว่าเรารวบรวมสมาธิได้เร็วขึ้นประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะมันก็จะไปอยู่ประมาณตรงปิติหรือตรงสุขประมาณเนี้ยค่ะมันจะรับรู้ได้ประมาณนั้นทีนี้หลังๆพอบางช่วงะค่ะไม่ค่อยได้มีเวลานั่งสมาธิ ไม่ได้นั่งทุกวันนะคะเพราะว่าต้องดูลูกพาลูกนอนก็เลยพยายามจะมองว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้เราได้บุญสักหน่อยก็อยากนอนสมาธิแต่ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างที่แท้จริงะคะ่ะทีนี้กลายเป็นว่าพอนอนสมาธิอะคะ่ะพระอาจารย์เรารู้สึกว่าเราก็ภาวนาะพุโทโธไปเรื่อยเหมือนดึงสติก่อนนอนทุกวันแต่ทุกครั้งก่อนที่เราจะหลับอะคะ่ะถ้าปกติไม่ไม่ นอนสมาธินะคะเราก็หลับแล้วก็เหมือนไหลเข้าไปในฝันหรือไม่ฝันก็แล้วแต่มันจะหลับดับปกติแต่พอหลังๆเหมือนพอเรานั่งสมาธินานๆจนวันหนึ่งเรามาเปลี่ยนเป็นลองนอนสมาธิแล้วก็ภาวนาเพื่อให้จิตมันสงบก่อนหลับอะคะ่ะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะหลับแล้วก็ไหลลงไปเลยอะคะ่ะมันโดนดึงมามาที่ลมหายใจทุกครั้งจนเหมือนเราต้องตื่นมาอีกรอบแล้วก็ทําใจว่าต้องหลับอะคะ่ะพระอาจารย์ไม่ทราบว่าตรงนี้เราจะสามารถแก้หรือว่า ทำยังไงได้มากขึ้นหรือว่าไม่ต้องนอนสมาธิคะพระอาจารย์ถ้าอยากจะหลับก็ไม่ต้องไปนอนสมาธิปล่อยให้มันไม่มีสติอีกไปถ้ามีสติแล้วมันจะตื่นใช่ค่ะเหมือนพอเราภาวนาเสร็จสักพักเหมือนพอจะเผลอหลับเหมือนโดนดึงอัตโนมัติเลยค่ะพระอาจารย์ก็ก็กลับไปนอนเหมือนเดิมถ้าไม่อยากอยากจะนอนหลับก็ไม่ต้องไปนอนสมาธิอืมค่ะถ้าไม่อยากจะนอนถ้าไม่อยากจะนอนหลับอยากจะภาวนาก็ น, นอนจะลาธิไปไมได้ค่ะคือตอนแรกเข้าใจว่าอย่างน้อยถ้าเราจะหลับเราจะเลินภาวานาในการพุโทโธพุโทโธแล้วหลับไปอ่ะคะ่ะแต่ก่อนอะเหมือนหลับได้ง่ายๆตั้งแต่ยังไม่นั่งสมาธิที่นั่งไม่ได้นานนะคะพอหลังๆพอเรานั่งสมาธิบ่อยๆที่นั่งปกติอ่ะคะ่ะเรานั่งนานขึ้นทําให้พออยากนอนแล้วแต่มันโดนดึงมาอย่างนะะี้ค่ะใช่ค่ะ คือต้องเลือกใช่ไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เลือกที่จะนอนไปเลยนอะนะนะไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกําหนดจิตไม่ต้องขึ้โทไม่ต้องดูค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามแล้วนะคะโอเคส า, าสาธุค่ะสาธุค่ะค่นต่อไปคุณหลวสุทธนเจเนียบัตถุการนี่ยน้องนับถ้วค่ะอาจารย์คะวัดสุขานพระอ า, าะจารย์ค่ะ วันนี้ลูกไม่มีคำถามค่ะเขามารับฟังนะคะงายตัดผมจันลงแล้วสบายขึ้นไหมสบายมากเลยเจ้าค่ะดูแลง่ายกว่านะดูแลง่ายกว่าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวแม่ จ, จะซอยมันสั้นกว่า น, นี้ก็ได้เป็นั้บอยเลยเปิดที่นิกแล้วนะคะพระจันทร์ค่ะอ๋อเปิดได้แล้วเหรอิดแต่ว่าก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมาตรการในการป้องกันให้มากขึ้นค่ะแล้วหมอฉีดสองเข็มได้ใช่ไหม เิล uh, ี่ยนซีโนแวคซอฟเข็มแล้วค่ะร <Okay. S 2> อจองโมเดอร์นาไว้เพื่อ uh, เป็นตัวพุเตอร์ค่ะก็พยายามป้องกันตัวใส่หน้ากาอะนะแล้วค่ะถ้าไม่มีคำถามว่าไปที่ท่านต่อไปนะค่ะอาจารย์ค hmm. คุณเด็กชายอะไรจัตพงนะอาจารอยู่ที่ไหน ค่ะสวัสดีเจ้าค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะมีคํำน้ำไหมมีค่ะพอดีเป็นครั้งแรกเลยที่เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นในเฟซบุ๊กก็เลยตามพระอาจารย์มาเหมือนเคยเห็นพระอาจารย์ที่ไหนแต่พอรู้ว่าพระอาจารย์อยู่วัดยานก็เลยจะขึ้นได้ว่าเมื่อ20กว่าปีก่อน เคยไปบวชที่วัดยานสิบสี่วันเจ้าค่ะเป็นชีพามในประกาบนรม ก, การเจ้าค่ะแล้วอยากจ ะ, ส, ะสอบถามพระอาจารย์ว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเราเหมือนเราจะมาจะนอนพอเราล้มโจนลงนอนแล้ ว, ว่ค่ะแล้วเหมือนจะลุกไปเหมือนเหมือนจะลุกไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าตัวเราอะ่ะก็ยังอยู่ที่นอนอยู่คือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ อายุสิบกว่าเจ้าค่ะแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆคือเหมือนตอนแรกก็กลัวลุกขึ้นมาได้ครึ่งท่อนก่อนมันมันก็จะเป็นทั้งเหมือนเราจะนอนแต่มันก็เหมือนล่างเราลงไปนอนจต่ตัวเราอะ่ะลุกขึ้นมาครึ่งหนึ่งสักพักหนึ่งพอหลายหลายเดือนผ่านไปเรียนมหาวิทยาลัยก็เริ่มลุกขึ้นมายืนเองได้นะคะแล้วก็บางทีก็ เหมือนใจเรากลัวตอนแรกอ่ะค่ะใจเรากลัวแล้วก็เลย น, นึกมาถึงน้องชายที่อยู่อีกห้องหนึ่งใจเราก็มาอยู่ตัวเราก็มาอยู่กับน้องชายเลยเจ้าค่ะแล้วพอหลังๆเนี่ยพอมีอครอบครัวแล้วอ่ะมันเหมือนจะมันก็เริ่มจางไปแต่ว่าบางครั้งมันก็เหมือนจะออกมาอีกอย่างเนี้ยเจ้าค่ะแต่เราเหมือนเราเราอยากทราบว่าตรงเนี้ยเป็นข้อดีหรือว่าเราจะต้องฝึกต่อไปอยังไงเจ้าค่ะ อ๋อมันไม่เป็นข้อดีอะไรหรอกเพราะมันเป็นการส่งกระแสจิตออกมามันเป็นการปรุงแต่งของจิตจิตไม่สงบจิตขาดสติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ในช่วงที่เราหลับเช่วงที่เราหลับจิตมันก็จะมีอาการต่างๆออกมาได้ถ้ามันไม่สร้างความเสียหายอะไรให้กับเราก็ไม่ไม่ต้องไปกัวงวลกับมัแล้วถ้าเกิดออกไปแล้วบางครั้งแบบเหมือนอยากออกไปนอกบ้านอะไรย่างเงี้ยสิคะ คือมันเหมือนมันมืดแรกๆกมันมืดไปหมดแล้วหลังๆก็เหมือนพอเรารู้ว่าเรานึกถึงอะไรแล้วเราไปตรงนั้นได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเราอยากไปเนี่ยเราควรไปดีไหมเจ้ค่ะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ ม, ม, มันเป็นเพียงแตความความรู้สึกของเราเท่านั้นมันเป็นมันไม่ได้เป็นความจริงใดอย่างใดอ๋อเป็นเพความฝันนะแต่ว่าอย่าง คือว่ายังไม่ได้ลงคือเหมือนกำลังจะนอนแต่ว่ายังไม่ได้นอนใค่ะแต่ว่าเหมือนแบบอยากจะลุกเข้ามาห้องน้ํ า, งงาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้หลับยาวแต่กลายเป็นว่าตัวไม่ลุกแต่ว่าเหมือนมันเบาลุกไปเลยอย่างเงี้ยใค่ปะมันก็เป็นเรื่องของจิตนะเนี่ยจิตจิตที่ไม่มีไม่มีสติกวควบ ค, คุมมันก็จะแสดงอาการต่างๆเหล่านี้ได้ แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะถ้าอยากจะคุมมันก็พูดโทรพูดโทรไปเวลาที่มันเกิดอาการเหล่านี้อ๋อแล้วถ้าเราอยากจะไปไหนเราก็พูดโทรไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเจ้าค่ะพูดโพูดโทรเดิมมันว่ามันเดี๋ยวมันเปนมันก็จะสงบตัวเราแล้จะกลับมาที่ที่ตัวเองได้ไหมเจ้าค่ะก็เนี่ยความมีพูดโทรเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วมันจะไม่กลับม เราช่วงนี้คือแบบพอมีครอบครัวมีลูกแล้วเหมือนจิตใจมันไม่สงบเหมือนสมัยก่อนที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากสค่ะตอนนี้คือเวลาสวดมนต์อยแล้วสค่ะเราก็อยากจะให้จิตเนี่ยสงบลงเหมือนสมัยก่อนคือนั่งสมาธิก็ไม่ได้นานไม่ได้ไม่ได้นานมากนี้สค่ะ ก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าตอนนี้เรามีภาระมีเรื่องที่มาสร้างความวิตกกังวลให้กับเรามันก็เลยทําให้เรานั่งสมาธิได้ยากขึ้นอย่าไปอยากให้มันเหมือนในอเด็กเพราะแม่เด็ตนันกับปัจจุบันมันเป็นคนละเรื่องไปแล้วหัดทำใจรับกับสภาพที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไปก่อนนั่สอนใจว่านี่แหละคือความทุกข์เวลามีคราบครัวแล้วมันก็จะทุกข์อย่างนี้ย ต่อไปมันจะได้เข็ดจนะได้ถ้าไม่อยากจะไปครอบครัวอะไรต่อไปอยากจะอยู่คนเดียว้ใค่ไหมใช่ไหมแต่อย่าไปอยากอย่าไปอยากในหะ้มันเหมือนเหมือนเดิมถ้าอยากจะให้เหมือนเดิมก็ต้องทิ้งครอบครัวไปแล้วก็ไปอยู่คนเดียวเคยคิดเหมือนกันเจ้าค่ะเคยคิดเหมือนกันที่มันก็ต้องดูคนกระทบว่าทำอย่างนี้นละคนที่เราทีเา่เราก็จะรู้สึกอย่างไงใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะพอดีลูกก็เพิ่งจะหกเ็ดขวบเองเจ้าค่ะ<ร>ก็เลยยอมรับสภาพไปก่อนก็เป็นเป็นเป็นวิบาก ข, ของเราที่เราไม่อยากจะมีครอบครัวเอง ม, มีแล้วมันก็ต้องมีผลกระทบตามมาอย่างนี้เอไปจะทําร้ายคิดถึงคนก็ต้องที่จะตามมาก่อนมันจะได้มันจะได้เลือกได้ว่าจะเอาดีไม่ดีอย่างนี้ก็ต้องรอให้ ลูกโ ต, ตเป็นหนุกพอหรือถ้ามีหรือถ้ามีคนเลี้ยงดูแทนเราได้ก็โอเคถ้าพ่อเขาเลี้ยงได้ก็ไปก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าว่าทิ้งให้ภรรยาแล้วท่านก็ไปบวอย่างหนูนี่จะมีแหววบวชแล้วดีไหมเจ้าคะหนูก็ต้องทำหนูก็ต้องลองดูนอดีไหวยมันดียกันเดียวเราจะทําทําได้หรือเปล่าท่านเอ ใจนื่ก็อยากไปเจ้าค่ะใจนื่ก็ห่วงลูกเจ้าค่ะต้องเเราหนูมีคาถามเท่านี้เจ้าค่ะกัรนถ้าคราวหน้าเกิดตัวเองจะลุกขึ้นมาอีกก็พุทโธพุโยพุทโอย่างเียเจ้าค่ะพุโแล้วถ้าเราีลไนัีถ้าเราลุกไปแล้วนานแค่ไหนเจ้าค่ะก็คือเราจะตายไหมที่ที่เรานอนอยู่เจ้าค่ะไม่ตายแล้วก็คนไครลุกมาอยู่ เป็นยเป็นประจํเลยมันเป็นเหอ น, น, น, นอนหลับแล้วผนไปกลัวว่าแบบมีคนคือตอนที่ไปบวชนะคะมี ม, มีมีคนเคยบอกว่าอย่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวกลับมาไม่ได้แล้วถ้ากลับมาเดี่ยคุณแบบเหมือนมีคนอื่นมาสิงร่างเราแทนอะไรออทิ้งเค้าค่ะมันเป็นเรื่อง ไม่เคยออกนอกบ้านเลยเจ้าค่ะไม่กล้าเอก็ดีถ้าไม่กล้ายิ่งดีอไม่กล้าออกไปเจ้าค่ะก็พยายามใชมพโทโธยิงกลับเข้ามาก็ได้นะแล้วท่องคาถาชินะบัญชรได้อะไรก็ได้ีบัญชรเนี่ส่วนอิทธิปิโสไปเรื่อยๆก็ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคนะกลับทุกคนค่ะ คนไปยูนั่นะคนคุณอนุมา ก, ก่อนเนี่ยเวข้ามคุณอนุมาจากคุณดอนไม่มีคําถามใช่ไหมอ๋อการนมัสการพระอาจารย์นะคะไม่มีคําถามนะคะร่วมฟังธรรมค่ะโอเ ค, เ ไ, คไปที่คนไปยูนต่อเลยคนไปยูนอยู่ที่ไหนการนมัสการครับพระอาจารย์อยู่อยู่จังหวัดน่านครับอมีคำถาม ไ, มไหมวันนี้ไม่มีครับเข้าม า, ากราบพระอาจารย์ที่เฉยครับ เป็นไปดีกับ Galaxy S10 ต่อ Galaxy อยู่ที่ไหนเก่าในมัส ก, การค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุเงเทพค่ะนี่ยิ่งเคยมาใสาบาตรหรือบายังยังไม่ได้ไปก็ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจำปีคน ท, ที่ว่าเคยเห็นหน้าคนละคนยังไม่เป็นไร คนเดียวกันมายิ่งไปกับน้าชายะค่ะพระอาจารย์ที่ไปทำทำของขายใช่ไหมคะเจ้าสาวค่ะอาจารย์ค่ะก็คือช่วงที่หายไปก็คือซุ่มซุ่มทําอยู่ค่ะพระอาจารย์คิดว่าได้ผลปฏิบัติแล้วถึงจะมารายงานผลง่ายพระอาจารย์ทราบนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ่ะคะ่ะก็ก็เห็นคนคนเจ็บคนไข้ เห็นแต่ว่ามันไม่เห็นข้างในค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสติยังไม่แข็งเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนนะคะว่าตอนแรกที่หนูทาได้เหมือนหนูอยากอยากได้อีอ่ค่ะอยากได้ความสงบทีนี้นพอหลังๆมาพระอาจารย์บอกว่าอย่าอยากอย่าให้มันอยากหนูก็พอมันไม่อยากมันมันนิ่งค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับว่า ตกจากที่สูงเหมือนเดิมอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันนิ่งเออไม่ไม่ตกบ่อยๆครับค่ะแ่มนไม่ใช้ได้ น, นุอยากืนุอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนําว่าสมมติว่าเราเหมือนเราเหมือนเรานั่งทุกวันเราเหมือนเรารับนิ่ทุกวันนูอยากเอาความสงบที่หนูได้อะค่ะมาฝึกเหมือนมาฝึกขัดปัญญาเพราะว่า เหมือนหนูที่เคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนว่าถ้ามีมีดคมแล้วไม่เอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ขึ้นสนิมค่ะหนูอยากได้คําแนะนําจากผ้าอาจารย์ว่าสมมติว่าเรารับมีดเราแล้วพอมันนิ่งได้เราไม่อยากให้มันเสียคมไปเปล่าๆอะค่ะสมมุติว่าจลิตหนูชอบเอพิจารณาอาสุภะความตายแบบเหมือนที่เรานอนตายแล้วแบบโดนย่างโดนเผามันถึงจะอยู่อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันมันหยาบมากค่ะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาแบบ นิ่มๆ ม, มันไม่อยู่อะค่ะมันเอามันไม่อยู่มันมันฉีดหน้าหนูตลอดเลยหนูก็เลยอยากได้อุบายค่ะพระอาจารย์ว่าสมมุติว่าวันนี้เราเราสงบได้หนูไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าเรารู้ว่าเราสงบอค่ะหนูอยากได้อุบายว่าเราจะเอามาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้มันให้มันเห็นข้างในอะค่ะเพราะว่าเหมือนปัจจุบันนี้ เหมือนปัจจุบันนี้มันมันเห็นแต่ตานอกมันไม่เห็นตาในอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์เราใหญ่ได้อุบายอย่างนี้แค่ะคือเราต้องการเห็นอาการต่างๆภายในร่างกายใช่ไหมใช่เจ้าค่ะให้มันเห็นาภายในเราก็ต้องนึกนึกมันขึ้นมาสินึกชื่อก่อนผมกลดเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับรังผึ้งไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ต้องนกชื่อท้องชื่อมันคือแบบแบนี้มันมาการสาส์นที่สองที่เราสรวจกันอย่างโคเมก้าอยู่กายของเราที่แล่เริ่มบนแต่พื้นท้าเริ่มาเริ่มต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจากปริญญาตรงมีหลังบุ่มออกขึ้นที่สุดนอบทําไปแล้วก็เลือกภาพตามที่เราชอบไปใช่ค่ะคือถ้าเราอยากจะสมัยนี้เราโชคดีมีหนังสือมีอินเทอร์เน็ตอยากจะดูว่า เชิด้าได้ขอดูศพหน่ยดูการชนะสศพดูดูว น, นาตอมีของร่างกายมันก็จะมีภาพตาเราขึ้นมนดูได้ก็ดูไแล้วก็ท่องจําไว้ว่านี่แหละอาการที่มันอยู่ใต้ใผิวหนังมันเป็นอย่างนี้แหละของทุกคนแล้วต่อไปก็มานึกอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเห็นร่างกายเราก็นึกถึงอาการที่มันซ่อนอยู่ทางภายใต้ผิวหนงของเราเวลาดูร่างกายของคนอื่นก็ดูแบบเดียวกัน ต่อไปมันก็จะมองทะลุเข้าไปได้เจ้าคขะอาจารย์ต้องอาศัยคํำนึกคิดไว้ก่อ น, <c oughs> นคิดวิปัสสนึกไว้ก่อนนะวิปัสสนึกจกะทั่งมันจนําได้มันก็จะกายวิปัสสนาไปเจ้าขาเพราะว่าหนูก็ว่าทําไมเราเห็นตาเป็นทําไมเราไม่เห็นข้างในสักทีอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันกับเห็นดูทุกวันวัวก็ต้องเราไปดูตัวอย่างไปมองไปไปที่โรงพยาบาลที่ตํารวจกณะร้ทจุฬาก็นด้ ก็จะมีการชนะสุขส่งให้เราเห็นภายในข้างในหรือถ้าไปไม่ได้ก็เปิดเปิดอินเทอร์เน็ตดูหนังสือหรือภาพก่อนก็ได้เจ้าค่ะเราดูแล้วก็มันเลิกอยู่เรื่อยๆมันทามาท่องจำให้มันจดจำอยู่ในใจของเรามันจะเป็นออการอบรมสมาธิปไปในครัวเลยใช่ไหยก็ได้ถ้ า, ถ, าถ้าเป็นปัญญามันจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิไปด้วยเจ้าค่ะ หือจ ะ, จะพยายามทำให้ต้องเล็กบ่อย ๆ, ๆคิดบ่อยๆใน<ห>เวลาให้ร่างกายมองหน้าตาเราในกระจกหน้ามองใต้รื้นน้ำของหน้าเรามีอะไรเอ่ยมีการโหลกศีรษะหรือเปล่ามีสมองหรือเปล่าภาพมันพึบแบบอย่างค่ะอย่างอย่างวันวันที่สิบห้าอย่างเงี้ยค่ะไปฉีดวัคซีนมาอย่างขันธวานมันก็แสดงให้เห็นนะคะพระ อ, อาจารย์แต่ว่ามันก็เจ็บปวดในร่างกาย ทีเนี้ยหนูก็เลยแบบว่าพูดโทตายพูดโทตายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูว่าหนูไม่รอดแน่นอนอะไรเงี้ยมันมันปวดแรงมากค่ะพระอาจารย์มันอย่างนี้มันก็เป็นการทําสมาธิของมันใช่ไหมโดยที่แบบหนูแบบทําสมาธิเหมือนกับเราเราหลับไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะถ้ามันแสดงอาการให้าเราเห็นแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์คือถ้ามันหลับมันก็ไม่ได้เป็นสมาธิมันต้องไม่หลับแต่มันสงบ มันไม่ทูกกับความเจ็บป่วยของร่างกายขอบครัอาจารย์ลูกนี่แหละค่ะลูกก็อยากถามเรื่องนี้แหละค่ะการเอาเวลาเรานั่งสมาธิแบบสงบแล้วเอามาใช้ปัญญายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเห็นข้นเวลาเวลาสงบอย่าเพิ่งไปใช้ปัญญารอให้มันออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยใช้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์เวลาสงบดีกว่ามันสงบมากๆนิ่มๆนานๆ เจ้าค่ะโครงการมันจะถอนออกมาแล้วนั่งคิดนั่งแั่งนี้ก็มาคิดอาการชาที่สองดูเจ้าค่ะดีขึ้นแต่กว่าตะกอนค่ะเพราะว่าตะกอนเวลานั่งมีแต่อยากอยากได้อยากลงแบบลงนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอไม่อยากแล้วมันก็ดีค่ะคอนใช่พยายามไม่ได้ครับเจค่ะต้องทําถึงจะได้นะเจ้าค่ะลูกจะน้อมเอาคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัตินะคะโอเค กราบสาธุค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากมาเจ้าค่ะด่าสาธุไปที่คุณน้ำต่อคุณน้ำอยูที่ไหนถ้าเคยถามนั้นต้องขออภัยด้วยบางที่จำไม่ได้คุณเข้ามาไหมกราบค่ะพระอาจารย์อยู่ที่กาญจนบุรีค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าสู่ของพระอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมก็ เรื่องการนอนสมาธินอนสมาธิคือเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วหนูปฏิบัติหนูนั่งได้ค่ะช่วงหลังหนูนั่งไม่ได้เลยหนูเลยกลายเป็นนอนนอนหลับอนสมาธิถ้าหลับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มันก็ตื่นบ่อยนะคะก็แสดงว่ายังหลับอยู่ก็คือกลายเป็นว่าเป็นการชอบนอนสมาธิ สบายกว่าอย่าไปเรียกว่านอนสมาธิว่านอนหลับดีกว่ะ <c oughs> มันพูดเวลาเหมือนเหมืนกับเราตัวเองวเวลานั่งนอนทําสมาธิแต่ไม่ได้ทําสมาธิ่ันนอนหลับจะมากกว่าวไม่เวลาเวลาตื่นมากลางดึกเนี้ยค่ ะ, ะก็ลุ่งก็มานั่งเสียงุกขึ้นมานั่งอย่านอนถ้าไม่อยากจะถ้าอยากจะได้สมาธิต้องต้องนั่งถ้า น, นอนเนี่ยมันก็กลับไปหลับแล้วแล้วก็หลับไปต่อใหม่ถ้าท้า ถ้านูตืกนกลางดึกหนูก็จะมาที่ลมหายใจอย่างเดียวเลยเราต้องนั่งนะท่านานอนเด็กมัก็หลับถ้าไม่อยากให้หลับถ้าไม่อยากให้หลับก็ต้องนั่งอนั่งลงห้องนอนจ้ะไม่ง่วงเลเพิ่งตื่นขึ้นมาใหม่ๆลองดูอ๋องั้นต้องแยกห้องนอนละ <laughs> ถ้าอางนั้นเด็กหนูต้องแยกห้องนอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหนูเคยฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องการ พิจารณาอย่างเช่นพิจารณาเส้นผมอะไรพวกเนี้ยหนูก็พยายามพิจารณาแต่หนูไม่เคยทำได้สักทีเขาบพิจารณาเขาบอพิจารณาเส้นผมเส้นผมแบบเขาเรียกอะไรคะอาพิจารณาเส้นผมแล้วจากเส้นเดียวมันก็เริ่มย่อยสลายอะไรประมาณเนี้ยหนูฟังฟังแล้วหนูก็คือพยายามแต่ว่ามันไม่เที่ยงเส้นผมมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องจากศีขาวไป ต่อไป อ, อให้พิจารณาความไม่เที่ยงข อ, องออผมเอย่ามันบัองงมอกแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดจากศีรษะต่อไปศีรษะก็จะมีผมน้อยลงไปน้อยลงไปไเรื่อยเออพืดเด่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับผม อ, อืมค่ะอ๋อหนูหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็ไปนั่งออดูผม <laughs> หนไมูไม่ได้อะไรเลยก็ <laughs> ต้องสอนใจว่าอย่าอย่าไปหลงอย่าไปหลงรักผมมากจนเกินไป ผมเดี๋ยวว่าช้าวันเนี่ยก็เท่าไหน่มันก็ต้องหลอกมันจะต้องหนึ่าหลุดออกจากสีสามไปเวลาไม่ทุกขกับมันเวลาเวลาเวลาไม่เที่เขาจะได้ไม่ทุกข์กับมันอืมค่ะงั้นมีผมเหงาเส้นหนึ่งก็ตื่นตื่นเต้นตกใจแล้วบางคนหนูก็นึกว่าเขาบอกอะไรที่จรณาแล้วคือให้เห็นเนื้อเนื้อลงไปกระดูกกระดูกไปสลายไปเป็นธาต เราไม่เคยไม่เคยได้เล ย, เลเยแล้วองคนเหน้วเราต้องเริ่มมอนอย่างที่เมื่อกี้สารก่นเมื่อกี้บอกให้นึกถึงอาการต่างๆที่มีในร่างกายก่อนค่ะ<อ><อ>แล้วก็แบบดูว่าเวลาคนตายไปมันกลายเป็นอะไรไปเอาไปสาํสาหรั่ไม่ใช่สมาธิมันมันต้องขี้เกียจคิดอันนี้อันนี้ต้องเริ่มคิดเป็นยาต้องคิด ต, ต้องคิด คิดถึงควักคิดแต่ไปคิดเรื่องเรื่องจริงร่างกายเราเวลาตายไปเข้าไปเผามันมันกลายไป็นอะไรไป<ม>จากอาการทารินสาวว่าอาการเป็ที่เท่าวิจารณ์เลยคืออย่า ง, อ ย, างอย่างอย่างเรื่องข้างนอกเนี่ยหนูพอได้อยู่แล้วค่ะอย่างหนูอยากจะซื้อที่เนี่ยอีกสักแปลงหนึ่งหนูก็มองว่าเป็นภาระแล้วก็แล้วก็มันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราหนูก็จะแบบตัดตัดตัดอะไรอย่างเงี้ย คือคือเวลาหนูจะทําอะไรหนูจะมองก่อนว่ามันมันคือภาระภาระที่เราจะต้องดูแลอ ะ, อ, ะอะไรประมาณเนี้ยเวลามันมันจากเราไปก็เสียใจนี่แหละแต่หนูพิจารณาร่างกายไม่ไม่เป็นไม่เป็นเลยค่ะเนี่ก็อย่างที่บอกเนี่ยคือร่างกายนี้พิจารณาได้หลายลายนานักษณะเอาง่ายๆ่อก็คือว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยต้องพิจารณาเรือ่อยๆ มันไม่สวยงามเพราะภายใต้คืนหนังมันมีแต่ของที่คน้าขยักขยักเ น, นมีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีโครงกระดูกโดยการนําด้วยความคิดก่อนเน้นไปเนแล้วก็นึกถึงภาพมันด้วยให้เห็นภาพไปในใจด้วยถ้าไม่รู้จักภาพว่ามันเป็นยังไงก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสือที่สอนนักศึกษาแพทย์ค่ะหรือถ้าอยากจ ะ, ะดูของจริงครไปดวไปที่โรงพยาบาล ก็จะมีชันสูตรศพผ่าศพออกไปดูแล้วเอามาจำเห็นดูแล้วนั่นนึกนึกจําไว้ก็ได้ร่างกายเราก็มีอย่างนี้แหละทีนี้เราต้องอาศัยร่างกายของคนหนึ่นเป็นกระจกดูร่างกายของเราอะรอย่านี้แล้วเอามันนึกนึกนึกจิ้มดวจะทั้มันไม่มันไม่ลืมเพระมันไม่ลืมมร่างกายมันวิบัตินาไปอื ต่อไปมันก็จะไม่หลงลร่างกายร่างกายเราเราก็ไม่หลงรักมันมันไม่เห็นไม่สวยไม่งามร่างกายคนอื่นก็ไม่สวยไม่งามค่ะค่ะอานะจารย์เนี่ยตรงนี้หนูติดตรงนี้แล้วค่ะต้องต้องนึกนะต้องนึกต้องคิดนึกคิดค่ะอานะจารย์นึกคิดถึ ง, ถงการการ32นึกคิดถึงเวลามันตายมันเสื่อมค่ะโอเคะ okay, นะนะทำนี้ก่อน น, นะค่ณอาจารย์ <Okay. S 1> ค่ะ คุณพัชมนต์ต่อเลยค่ะคุณพัชมน์อยู่ที่ไหนกลับนมัส ก, การพระอาจารย์อยู่ชนบุรีเจ้าค่ะมีคําถามไหมไม่มีเจ้าค่ะขออนุญาตมารับฟังธรรมะพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเดินไปที่คุณมาลีต่อมลีหายดีแล้วเหรอตอนนี้ดีดีแล้วค่ะเอาชนะโควิดได้แล้วใช่ไหมได้ได้ค่ะหลวงพ่อติดเราติด สิดป้ายไว้ที่เสื้อแล้วเราเป็นพูกชนะโควิด <c oughs> หลวงพ่อเัาอยู่คบคบกัดตัวที่บ้าน14 14วันวันนี้ค่ะก็ <c oughs> ก็มาตรวจอีกทีนึงผลให้พี่แลบติดเทสอะค่ะก็มันก็ไม่ไม่มีเชื้อ <c oughs> ไม่มีเชื้อ <c oughs> ค่ะก็ออกไปรับลูกไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลต่อค่ะแล้วก็แยกเอาลูกไปฝากกับแม่ที่นครนายกแล้วก็กลับมา มาเนี่ยคะ่ะก็คือช่วงนี้ขอให้ห่างๆกันไปก่อนนะคะหลวงพ่อค่ะหลงพอ่ อ, พอทำเวลาได้อย่างนั้นไหมเออเขาพอดีคือที่บริษัทเขาให้รูปฟอร์มโอมต่อถึงสิ้นเดือนก่อนนะคะหลวงพอ่อ <Okay. S 2> ค่ะหลงพอ่งพอคะหนูหนูหนูมีมีคํำถามแต่หนูไม่รู้ว่าจะจะจะแบบยังไงดีแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะเริ่มตรงที่ว่าเออตรงที่ฝึก ฝึกสติอะค่ะหลวงพ่อฝึกฝึกสติอที่หนูฟังหลวงพ่อเทศสองเรื่องสติว่าต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งว่าหลับแล้วแล้วหนูก็ไปฟังหลวงตามหาบัวคือหนูฟังหลวงตามหาบัวหนูไม่เข้าใจแต่พอมาฟังของหลวงพ่อแล้วหนูเข้าไปไปรวมกับของหลวงตาหนูก็เข้าเข้าใจตรงที่บอกว่าฝึกเนี่ยคือลืมตาขึ้นมา ให้มีสติอยู่กับสมุติคาบริกรรมเนี่ยฟุกโฟออย่างเงี้ยค่ะนูก็ฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกแล้วแล้วทีเนี้ยบางทีมันก็ยังยังไม่อยู่เนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วก็จะนึกถึงคําที่หลวงตาบอกว่าต้องฟาดมันเข้าไปเยอะๆคือเอาให้ถีบถีบเนี่ยค่ะหลวงพ่อหนูก็มาลองทําคือพอว่างมีเวลาหนูก็ฝึกหนูก็ฝึกสวงพ่อมันมันเห็นมันเห็นผลทันทีเหมือนกันนะคะหลวงพ่อว่าเวลา อย่างสมมุติหนูฝึก ต, ตอนกลางวันอย่างนี้ค่ะเขาตั้งแต่เชา้ชาเช้าพักเที่ยงแล้วก็บ่ายเย็นแล้วเสร็จหนูก็มาตอนกลางคืนหนูมานั่งสมาธิอะค่ะมันมันรู้สึกว่าเหมือนมันสั่งได้อะคือใจเราสงบหยัง่งหยั่งเร็วอะค่ะใช่สตินี่แหละเป็นตัวกากับใจอันนี้ถูกใช่ไหมคะ ท, ที่ทำให้หยุดความคิดนได้อย่างรวดแล้วทันใจเลยความสติ ใช่ค่ะหลวงพอ่อแล้วบางครั้งตอนที่เรานั่งนั่งสมาธิอยู่อะค่ะเราเรามีเสียงรบกวนแต่ถ้าเราสมมติเราจิตเราตั้งแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับไอ้คําที่เรานึกไว้อะตลอดเวลาอย่างเนี้คือถือว่าถูกใ ช, ใช่ไหมใช่ถูกแล้วค่ะแล้วพอมันพอมันสงบไปถึงสมมุติว่าระดับหนึ่งอย่างนี้ยค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าการที่จะบอกว่ามันมันมันสงบมันได้สมาธิตรงเนี้ย หลวงพ่อสอนว่ามันต้องสามารถเ อ, อสามารถเข้าออกได้ตามที่เราต้องการใช่ไหมคะหลวงพ่อมันถึงไม่ไม่นั่นก็เป็นอาจจะน้ำลูกคุ้คขาดไปก่อนไม่ชํานาญแล้วฝึก บ, บ, บ่อยๆต่อไปมันจะชํานาญครับแล้วแล้วมันามาจะเข้าได้ทุกเวลาแล้วก็เข้าได้อย่างรวดเร็วง่ายดายคือวัดวัดตรงที่ว่าเราได้หรือไม่ได้คือว่าเข้าได้ รวดเร็วแล้วก็วทุกเวลาที่เราต้องการตรงนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วพอสมมติว่าถ้าถ้าเราผ่านตรงนี้ค่ะแล้วเราจะไปตรงปัญญาต่อที่เนี้ยไอไอตรงปัญญาเนี่ยหนูหนูเข้าใจเองว่าที่มันจะทำให้ให้เราอะหลุดพ้นจากความความทุกข์ตรงเนี้ยคือคือหมายถึงว่า ให้ที่หลวงพ่อสอนว่าให้เห็นถึงไตรลักเห็นความจริงเนี่ยไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และบังคับไม่ได้เนี่ยคือคือหมายถึงว่าเห็นเห็นด้วยใจเห็นด้วยความเข้าใจจริงๆใช่ไหมคะหลวงพ่อรับรู้<ช>แล้วมันหยุดงานที่เราทํานี่มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเดินได้วันหนึ่งมันก็ต้องจบเหนกันค่ะหลวงพ่อ ม, มันให้พิจารณาไปกันนั่นนะ ค, คือตรงเนี้ยไอ้ที่ว่านิพพานที่ใจเนี่ยคือหมายถึงว่ามัน เรารับได้หมดใช่ไหมคะหลวงพ่อว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นทั้งเรื่องที่ทั้งทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งด้านบวกด้านลบอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อที่คือมันอยู่ที่ใจใช่ไหมคะใช่มันรับได้แล้วมันก็ไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งอะไรกับมันด้วยอ๋อ แ, แล้วอย่างอย่างสมมุติอย่างเนี้ยถือคือหนูกําลังนิดนึงอะค่ะว่ามันต่างกันระหว่างไอ้ปัญญาจริงกับปัญญาที่เราเกิดจากการนึกคิด เอาเองอย่างนี้ค่ะหลวงพ่ออย่างอย่างสมมุติว่ามัาต้องมีเหตุการมีเหตุการเช่นเวลาเวลาไม่สบายเนี่ยมันก็อใจเฉยหรือไม่เฉยถ้าไม่เฉยก็แสดงว่ายัางสอบตกอย่างานี้การเฉยอะหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรจะปวดก็ปวด้วปวดไปจะตายก็ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความวิตกกังวลกับการเป็นความตายของร่างกายนั่นเรียกว่าผ่าน ก็คือทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คืออยู่อยู่ที่ใจเราว่าเรารับได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดเรารับได้ก็อยู่เอาทุกข์ก็อยู่กับมันไปเอาสุข ก, ก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแโลกนี้มันมามันเป็นอย่างเงี้ยมันสลับกันมาสลับกันมาสุขทุกข์เนี่ยสุขบ้างเนี่ยทุกข์ขบ้างก็คืออยู่ที่ใจเราที่เดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อทั้งทั้งหมดอยู่ที่ใจให้เราใจเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเหมือนหยดน้ำบนใบบัวมันจะไม่เซมมัน้าหากันมันไม่ดูดกันนู้องพ่อคะตรงที่บอกว่ามันที่ใจนวคือมันต้องเฉยกับทุกอย่างเจ้าเฉยกับทุกอย่างได้ตายก็เฉยเป็นก็เฉยปวดก็เฉยถุกข้อด่าก็เฉยถูกข้าใส่ร้ายก็เฉย เฉยให้หมดไม่ตอบต้เพียงแต่รับทราบเฉยๆแค่นี้ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนการที่ฝึกว่าให้เราเออ่เข้าใจตรงตรงเนี้ยค่ะว่าเฉยเฉยทุกสิ่งทุกอย่างตัวเนี้ยคือมันมันมันฝึกจนเป็นปกติจนเป็นถ้เมันทุกอย่างเป็นตายร้างมันก็จะเฉยไม่เห็นทุกอย่างมันเป็นทุกข์ ไปยุ่งกับมันแล้วจะเป็นทุกข์แต่ก็เลยเฉยดีกว่าไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าแล้วมันอย่างสมมุติว่าบางอย่างเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยมันมันเป็นทุกข์เราก็บอกเอ่ะทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยก็ปล่อยมันจะเกิดเรื่องเกิดอะไรก็อย่างอย่างนี้ถือว่ามันใช่ไหมคะมหลวงพ่อเราก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างเงี้ยนะคือมันก็อยู่สองระดับนคือท่านระดับที่เราทําอะไรได้ก็ทําไปค่ะมาทำไม่ได้ก็ปล่อยไป เข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อไม่ใช่บอกว่าปล่อยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ท้อผิดชอบอะไรก็ไม่ใช่คือเราทําเป็ม<ำ>ความสามารถเราแล้วแล้วจะบวกหรือลบก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วแต่ทาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทําไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องทำค่ะหลวงพ่อเรไม่ทุกข์กับมันเราเราท้อกับผลของมันได้อะไรจะเกิดก็เกิดค่ะหลวงพ่อ เข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะหลวงพ่อตอนนี้ไม่มีอาการหลงเวยอยู่แล้วใช่ไหมสบายแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็โดยรวมก็ปกติแล้วค่ะแต่แต่ว่าอาจจะมีถ้าเรากลับไปทํางานเนี่ยบาง<ม>บัคเขาเรียกเลย <S <s <S เพื่อนร่วม ง, งานบางท่านอาจจะยังไม่สบายใจเออแล้วท่าอยู่ <S <s ก็สิบสี่วันก่อนใช่คะ่ะเขาอาจจะแล้วน้องก็บอกหรือเปลว่าเราเป็นกลุ่มกุ้งกันแล้วตอนนี้<อ>เหมือนกันนี่ย คือเขาคือก็เลยลองโทรไปถามที่กรมควบคุมโรคอะค่ะว่าแล้วแล้วเราต้องยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเชื้อถ้าไม่มีแล้วเราก็ถือว่าปกปติแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตปกปติไม่ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนเหมือนที่เขาบอกให้ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไม่รู้ว่าเชื้อมันอาจจะกลายพันธุ์เป็นตัวใหม่ก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหลนะ่งพ่อ แต่เราก็ฉีดยามาสองเข็มแล้วด้วยไม่ใช่ฉีดยาแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะฉีดยาแล้วเวลาเป็นมันจะไม่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงใช่ค่ะหลวงค่อก็ดีั็ดีค่ะโอเคนะกรักษาตัวเองต่อไปนะขอบคุณค่ะหลวงพ่อหนูจะฝึกต่อไปค่ะหลวงพ่อได้สาธุค่ะขอบคุณค่ะ คุณคุณอิมพัตารือิมพัาเช่ไหอที่ไหนกาบกานวมักการของพ่อค่ะอยู่ที่ ก, ก, กรงุงเทพค่ะมีคำถามอะไรไหมมีค่ะหนูเพิ่งเริ่มสวดมนต์แบบติดต่อกันมาประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะและทีหนูก็อยากทราบว่าจริงๆการสวดมนต์แบบการเปล่งเสียงหรือแบบ สวดในใจอะไรอย่างเงี้ยจริงจริมันมันมีผลต่างกันไหมคะพระอาจารย์ทางด้านของสติแบบทางด้านความความสงบเนี่ถ้าถ้าไม่เป็นเสียงมันจะสงบกว่าถ้าท่องในถ้าสวดไปภายในใจได้จิตมันจะสงบกว่าแต่ถ้าเบื้องต้นถ้ายังสวดในใจไม่ได้ก็ต้องสวดเปล่งเสียงไปก่อนใน<ฆ>การเปล่งเสียงนี่ไม่สวดเพื่อให้เทวดาได้ยินอะไรนะันี่เป็นความเ<ฆ>ข้าใจผิด ่ารสวดวันนี่เป็นการกล่อมจิตแห้งให้สงบเท่า น, นั้นเองค่ ะ, ะแล้วแล้วอย่างบทสวดอย่างตอนแรกหนูเริ่มจาก อ, อย่างชินบัญชไรอย่างเงี้ยค่ะจนพอหนูสวดมาสามเดือนหนูเริ่มหนูเริ่มจำบทสวดได้แต่ตอนนี้หนูเริ่มเพิ่มบทมหาเมตตาใหญ่ซึ่งหนูยังจำไม่ได้การที่การที่หนอูอย่างบทที่หนูจำได้แล้วเนี่ย หนูก็ไม่ได้ต้องอ่านตามตามหนังสืออย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนบทที่หนูยังจําไม่ได้อยู่เนี่ยหนูอ่านตามหนังสืออะไรอย่างเงี้ยและคือเหมือนหนูอ่านข้อแนะนําอะก็คือในหนังสือก็จะบอกว่าแบบให้เรามีสมาธิกับกับคําแต่ละบทที่เราสวดอะคะ่ะอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมันมันต่างกันมากไหมคะกับการที่บางทนอ่านอ่านไปหนูกับคือเหมือนแบบว่าถ้าในระหว่างที่หนูอ่านคือหนูต้องแบบ ต้องมีสมาธิกับกับกับกับตัวหนังสืออย่างนี้หรอคะหนูหนูไม่ค่อยเข้าใจก็ให้มีสติการยังไม่ใช่สมาธิให้มีสติจดจอ่ออยู่กับบทที่เรากําลังสวดอยู่ครับที่เราสวดอยู่ไม่ว่าจะดูหนังสือหรือไม่ดูหนังสือก็เหมือนกันอืมค่ะแล้วก็เพื่อใจจะได้ไม่แวบไปคิดงเรื่องหนึ่งการสวด น, นี้เพื่อป้องกันแม่ใจไปคิดงเรื่องนั้นเร่องนี้ถ้าสวดแบบไม่มีสติมันก็สวดไปตาปาก แต่ใจมันก็ไปขึ้นเรื่องอื่นต่อได้ค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดจริงๆแล้วเอการท่าทางในการสวดคือเราจะนั่งหรือเราจะสามารถนอนแล้วสวดได้ไหมะคะ่ะอาจารย์นอนมันก็จะสบายกไ ป, ไปแล้วมันจะหลับได้อ๋อค่ะแต่ถ้านั่งมันจะไม่หลับคือความจริงนอกจากการสวดแล้วเราควรจะนั่งสมาธิต่อด้วยซ้ำไปอ๋อค่ะ มาจะได้จิตจะได้สงบมากขึ้นทีได้มีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติอะคะ่ะคืออ่าวันเมื่อวานหนูคุยกับเพื่อนเราเพื่อนอะ่ะเหมือนมีปัญหากับแม่ซึ่งเหมือนนิสัยของเพื่อนและกับแม่เนี่ยเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยคะ่ะพอาจารย์แล้วเขาก็เหมือนพูดทํานองว่าเขาหาวิธีทุกวิถีทางแล้วที่เขาจะเหมือนแบบ พูดคุยกับแม่หรือเข้าใจกับแม่ซึ่งสุดท้ายแล้วคือตอนเนี้เราอายุประมาณสามสิบกว่าปีเขาก็รู้สึกว่าตลอดสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เรียนรู้มาหรือที่อยู่กับแม่มา ท, ทําทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแบบเข้าใจกับแม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วทุกวันนี้เขาก็เลยเหมือนแบบนิ่งเฉยแล้วก็เลี่ยงที่จะแบบลดการพูดคุยกับแม่เขาซึ่งหนูหนูอยากทราบว่าจริงๆแล้วขาเอ่อ เพื่อนก็มองว่าเขาทําทุกวิถีทางแล้วแต่คือความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ได้เพราะเป็นแม่ลูกอ่ะแล้วมันจะมีวิธีอื่นที่ที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมคะพระอาจารย์คือเราอยู่ร่วมกันได้โดยที่ถึงหน้าเราจะเป็นความเห็นไม่ตรากันเราเพีงต้องรู้ว่าเราเรื่องที่ไม่ตรงกันเราก็อย่ามมาพูดพูดแต่เรื่องที่เรามีความเห็นตรงกันพูดกันได้เข้าใจ<ม>ไหม เขาเรียกว่าสมุนส่วนต่างภาษาส่วนไหมเออเหมือ น, นเขาบอกว่าค่ะมันทุกครั้งที่เขามีการพูดคุยกับแม่เขาจะรู้สึกอึดอัดใจทุกครั้งเลยประมาณอย่างนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะอยากใช้อยากจะให้ได้ผลพอเราไม่ได้ผลตาว่ารู้สึกอึดอัดใจในเวลาคุยกับแม่คุยกับใครอย่าไปหวังผลจากเขาเล บางทีเราหวังให้เขาเข้าใจเราหวังให้เขาอย่างนู้อย่างนี้เราก็เลยพอเขาไม่เขาไม่เห็นกับเราเราก็เลยอึดอัดใจเลยไม่อยากจะคุยกับเขาต่อไปก็เลือกคุยใน<ม>เรื่องที่มันคุยกันได้สิเรื่องที่คุยกันไม่ได้ก็อย่าไปคุยหนูรู้สึกว่าตัวเพื่อนหนูน่าจะมีอคติกับแม่เขาด้วยเขาเขาเหมือนจะชอบบอกว่าวิธีการคิดของแม่เขาเนี่ยไม่ สำหรับเขาเขาไม่โอเคในวิธีการคิดของแม่ในทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นธรรมดาคนเรามันไม่จําไมันไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องมีความใหม่เห็นคล้ายคลึงกันทุกเรื่องมันก็มีเรื่องที่ไม่ไม่เห็นด้วยก็อย่าไปคุยนะคุยในเรื่องที่เห็นเห็นด้วยกันได้โอเคครับหนูจะได้แบบไปแนะนําเขาอีกทีนึงเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่เบื่อไม่โกรธกันเราจะอยู่ด้วยกันยอย่าง ยังมีความสุขได้ะ<ด>เราค่อยค่อยสังเกตดีไว้แล้วพูดตรงไหน่ถ้าแม่เขาไม่เอาเราก็อย่าไปพูดในเรื่อง <laughs> พูในเรื่องที่เขาเอเราพูดแล้วเขชอบขึ้นมาเขาพูดไปเลยคุยกันไปได้ทำไมคุยในเรื่องที่เขาไม่ชอบก็อ ย, อย่าไปคุยได้ค่ะหนูมไม่มีคําถามม า, าค่ะกับอาจารย์ค่ะโอเคสาธุค่ะ คุณป่ยวยนะไม่คุณป่วยคุณป่ยฮคนสิไมอยู่ที่ไหนอาจปัม้ก่อนอันนิ้วไม้กับคนอันนิ้วเปนหมดอันนี้แล้วค่ะอาจารย์อยีไหนอยู่ลักเซเบิร์กคอาจารย์ลักเซเบิร์กยุโรปยรค่ะอาจารย์ เป็นเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังพระอาจารย์พอดีทางานด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเพิ่มและก็เป็นครั้งแรกเลยที่เอ่อปุ้ยเข้ามากราบพระอาจารย์ในซูมค่ะแล้ติดตามพระอาจารย์มาตลอดแล้วอยากจะเรียนถามพระอาจารย์คือว่าตอนนี้คือคุณปุ้ยบวชจิตการบวชจิตของปุ้ยคือว่า ที่วัดสมเด็จเนี่ยไม่มีพระตอนนี้วิวัดแทจริงจะไม่มีพระเพราะว่าพระหยิบสินแล้วก็กลับไปแล้วแล้วก็ก็เลยใส่าบาตกับองค์สมเด็จพระสัมม า, ส, ม า, าสันมพุทธเจ้าทุกๆเช้าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วอยากจะเรียนถามว่าเราคือขี้ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าขอถือศีลห้าอย่างมัน่นขอบวชอิฐบวชในเออจะจะได้ผลไหมฮะ เพราะว่าเรานั่งมาที่แล้วเรานิ่งด้วยค่ะนั่งได้นิ่งก็อยู่ที่ว่าเราทําไม่ทำใช่ไเราจะรักษาสีเราก็ต้องทําแล้วก็ต้องรักษาสีให้ได้เราจะนั่งเป็นที่นั่งก็นั่งไั่ได้ก็ใช้ได้ถ้าทําได้ก็ใช้ได้คุณใช้แบบว่าสวดชินบัญชนฝาหุงสวดบทอัญเชิญเทวดาแต่ว่าเอไม่ทราบว่าเอคุณปุ้ยจะบาปหรือเปล่าเพราะว่า เวลาที่แบบว่าสวดอัญเชิญเทวดาแต่พอเวลาบางวันลืมลืมทรงเทวดากับสวรรค์เออไม่ไม่ไม่บาปแล้วไม่เทวดามาจริงเข้าไม่ได้มามาฟังสวดหรออ๋อหล่ะคะแล้วพอดีว่าอือพุ้ยทานเจด้วยและอธิษฐานจิตกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะขอถืออือถือศีลแบบตรงอือเจแต่เป็นบางทีอยู่ที่นี่มันมีเลยมีนมติดมานิดๆหน่อยๆก็ ออกมาแล้วม่มีไม่มีปัญาเลยกินเจก็ได้กินเจก็ได้ไม่ต่างกันคือคือเป็นคนกินมังสวิรัติมาก่อนแล้วก็ถือเจในพรรษาแล้วก็จะขอถือพรหมจรรย์ถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านด้วยที่เราเราบวชไม่ได้เราบวชเออเราบวชแบบแบบแบบชีไม่ได้เพราะเรายังมีภาระทางโลกอยู่ค่ะยังต้องทํางานอยู่ มันก็เมันก็เหมือนบวชอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเราก็ได้มาแล้วใช่แล้วก็พยายามแบบว่าตอนนี้ก็มาสวดเอาแรกมาจากชินบัญชรมาจากปะหุงแล้วตอนนี้ก็สวดบทเอ่อเจรพัดคือเป็นคนที่ชอบสวดเจรพัดมากและสวดอะไรจะจําได้จําได้ขึ้นมาแบบในหัวเลยอะค่ะเอ่มีซ่าว่าดีไหมคะจดีสวนไปแล้วใจก็จะเย็นใจสบายใช่ ใจเย็นใจเย็นใจสบายแบบทานที่ดีท่านสวดโซดคนนั่งสมาธิต่อด้วยยิ่งยิงดีเลยค่ะยมสวดแล้วก็อรับภูมิให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่แบบร่องรอยแล้วยมก็เอปวดน้ําแล้วก็บางทีปวดน้ําแห้งคือว่าไม่ได้เอาน้ําไปลดต้นไม้แล้วก็ก็นั่งสมาธิแบบนั่งแบบสามสิบนาทีสี่สิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะเดทําไปค่ะ <ท>อพราว่ายมค<า>ิด ว, ว่าค่ะยอพอดียมมาฟังเออพระาจารย์แล้วคืนนี้ยมถูกถูกใจยังเลยสอนถูกใจมากก็เลยติดตามแล้ววันนี้ไปอาจารย์เออูาซูมก็เลยเ อ, อ, อ, ยยเ อ, อะ อ, าาอยอะากจะรู้มีทาราบว่าอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรมีทราบคระอยู่จังหวัดพิริวัญสารมาลาใกล้หาดพัทยาใกล้พัทยาเคยไปค่ะวันนี้ยใหญ่มากค่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปหลังโควิดถ้าเกิดโควิดก็ยังชั่วจะกลับไปกราบพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเพื่อนอยู่ชนบุรีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เคยมาลัสเซอเบิร์กไหมอ๋อเคยไปเทอมไมที่เป็นคาราวาสเทอมที่ยังไม่ได้ดูเนะีน่ย น, นานมนากแล้วเออสนใจจะต้องมาตั้งวัดที่นี่แล้วละ่ะผมไม่ไห ว, ไวแล้วละ่ะการจะเข้าโรงแล้วอนี้อย่างเราก้าก้า ขอบพระคุณมากเลยค่ะอยากเจอดีๆดีๆก็รับนะยินดีมากๆเข้ามาฟังได้ทุกคืนวันพุธนะสองทุ่มมีสู่วันพุธหรอกค่ะเฉพาะวันพุธหรอกค่ะจะมาวันพุธสองทุ่มเวลาของประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะจะจำไว้ค่ะคขอบพระคุณอย่างมากค่ะสวัสดีสัสดีจ้าอาทิตย์บุจีบพลังงานจีบ แม่พระจันขอขอโหโ ย, oh, ยมไม่ได้เข้ามาหลายสัปดาห์เลยพระจันสบายดีอะรไรั้งหลายหรือวป่าเนี้ยเฉพาะนี้นี้เาโยมฟังข้างนอกมากค่ะช่วงหลังๆคือทำงานเยอะเพราะว่าไปฟังเวลาฟังแล้วนายเาถามอะไรแล้วยมจะแบบว่า บอกว่าสมาธิได้แต่ของพระอาจารย์อยูอย่แล้วนก็จะบอแบบเราก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมาตามย้อนหลังบ้างวันครั้งค่ะ <Okay. S 1> แต่วันนี้พอดีมาพาลูกๆมาทะเลค่ะหุยอ่าสลินทอนก็มาด้วยค่ะแต<ล>่ว่าสลินทอนไปทุระแล้วค่ะเมื่อกี่สิลินทอนยังฟังของพระอาจารย์อยู่เลยค่ะทะเลอยู่ตรงไห น, นตรงเบธทนี่ค่ะ พ, าาพระอาจารย์ตรง ห่างจากที่โยมอยู่ประมาณสามชั่วโมงสมชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งอะค่ะเดลลาค่ะเดลแวรค่ะเดลาแวร์เดลาแวร์าอยู่รัฐของประธานาธิบดีไบเดนอน่าจะใช่นะคะใช่ชช่เอใช่ไหมใช่หรอใช่อนยมจ๊ะเดลาแวร์เนี้ยมันอยู่ติดมันอยู่ติดกับอะไรล่ะเจอาแวร์อยู่ติดกับแมรี่แลนด์เนี้ยล่อยู่ติดกัน ใช่เพราะว่าเป็นรัฐแรกๆเนี่ใช่ไหมไม่ใหญ่เป็นรัฐแรกเป็นรัฐแรกที่เขาถือว่ารัฐแล้วไม่เสียอะคะ่ะเวลาซื้อของก็ไม่มีจ่ายภาษีอะไรเงี้ย ค, ค่ะค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยว่าเดี๋ยวพาเด็กๆมาเที่ยวแล้วก็พอดีว่างไม่ได้ทํางานเลยยมก็เลยได้เข้ามากราบพระอาจารย์มาขอพลัง ช่วงหลังไม่ยอมรับว่าไม่สวดมนต์อย่างเดียวนั่งสมาธิว่าใช้ปวลาสวดเสร็จก็นอนต่อสมาธิต่อเลยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจิตใจไม่ค่อยจะเพราะมันจะมีเรื่องนิดนึงอะค่ะก็เลยแบบก็เลยวั น, นนี้ก็เข้ามากราบขอพัดได้เันีต้อนรับถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ไม่มีมค่ะ <Okay. S 2> ขันนะคะค่ะสาธุสัตย์ใจสอธุยเข้ากลัวของภูผาภูผามุมกไหมยังไงความพยายามพร้อมแล้ว ค, ค่ะคมาร่วกานกันสาธุสาธุย ท, ท, ทุกคนสบายดีนะสบายดีค่ะทำการบ้านเสร็จแล้ยัง ทยอยส่งอยู่ค่ะงานเยอะมากค่ะเมื่อานได้ฝากเข้าใส่บาทใช่ไหมเมอวานเรื่องเม่วันนี้เขาบอกถ<ห>้าชุได้ละถ้าชใ่ใช่ค่จะจ้ค่ะ <laughs> ขอชุ น, นนะพ่อแม่ลูกสามค น, ค น, มนหน้าคนปนีใช่ครับครอบครัวหคนค่ะชุดกับอย่มีอะไรไหัหมไม่มีค่ะเข้ามาฝาไไ่ใช่เองก็ไป มีไม่รูกผมมีอะไรกันไหมยังยังสวดมนตเกันอยู่ก็ก่อนนอน น, นั่งสมาธิก็บ้างนั่งครับอ่าโอเคนะอย่าทิ้งนะพยายามทำให้เป็นนิจใยเป็นบารมีนะวันพัน บ, บก็วันพักก็รักษาศีลแปดกันค่ ะ, คะวันวันธรรมดาก็สิลห้าค่ะ แล้วก็ระหว่างวันก็ถ้าไม่ได้ติดอะไรก็จะเปิดฟังเทปของลงตาค่ะดีมากขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญสาธุมหาครับลงทันีนนนก่อนหนะ้าลวงตารักษาสุขภาพควายหลงตาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนกิบบี่ร้อยี่สิบีิ สาธุจ้ะสาธุค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เ ป, <อ>เป็นตามที่ว่าไวานนะ้ น, นะค่นนะสาธุานานพวกเราก็เช่นกันนะขอให้ยืนยาวนานร้อปีเหมือนกันนะได้ครับเอาเหี้ยนานไปนะทำไมหนูตาไม่นานเบาพวกเรากำนาน น้องกายอยู่สอนแค่ลูกศิษย์มีประโยชน์เยอะกว่าค่ะยงยงก็จะได้เพื่อเด็กๆยังเล็กจะได้โตทานหลอกกาสะอันนี้ส่งจะได้เพิ่มเติมตาก็ได้แล้วไงค่อยเจอกันต่อนะค่ะสวัสดีจ้คุณเวล์มีเจ็ดปเชิญคุณเวล์มีเจ็ดป่ที่ไหนเอ่ย การต่างกรรมครับพรอาจารย์ครับผมก็วันนี้มารายงานผลการปฏิบัติครับเมื่อที่ได้รับการแนะนาจากพรอาจารย์ไปครั้งที่แล้วนะครับผมเรื่องเรื่องหิวอารมณ์ครับผมก็พระอาจารย์บอกว่าให้ฟังเทศบ่อยๆก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสงบมากขึ้นครับผมครับฟังไปเรื่อยๆ่อนไป การฝึก ส, สติสุกัญญาเริ่มตนน้นก่นนอนครับผมแล้วกมาสวดนหน้าสมาธิหน่อครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าเราถ้าเราไม่ค่อยได้อ่ากําหนดพุโทโธเนี่ยถ้าหนึ่งวันสองวันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะลืมนะครับอาจารย์แต่พอเรามากําหนดพุโทโธจนจนเราไม่จําเป็นต้องกําหนดแต่เวลาเราหายใจเนี่ยมันเหมือนมี ม, มีมีพุโทโธกํากับเข้าออกเองโดยอัตโนมัติเลย นะครับแต่ว่าครับถ้าเราเลิกไปหรือเราพักไปวันสองวันหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องกลับมาปฏิบัติกลับมาตามหาดีมากครับผมก็พยายามอย่าเลิกพยายามทำต่อเนี่ยครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีมีแค่สิ่งเดียวก็คือเรื่องเรื่องการการทําต่อเนื่องครับเรื่องครับผมก็จะจะต้องต่อเนื่องครับคนไม่ได้ทำต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ คุณไตรชาติคุณไตรชาติพูดไหมภาพนิ่งคุณตรชาติไม่ทราบจะ้มู่บไมาออกมาแล้วอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนจ้อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะโอเคคำถามไหมก็ยังยังไม่มีค่ะเพราะว่าแต่ว่าตัวเองก็สวดมนต์ทุกเช้านะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พยายามรักษาสินทำจิตใจให้ ไม่วุ่นวายกับโลกภายนอกค่ะพ่ออาจารย์ถูกต้องพยายามรักษาใจสงบแล้วจะมีความสุขนะค่ะค่ะก<ม>็ถึิ่งได้มีโอกาสเข้ามากราบพระอาจารย์ก็ขอบพรคุณมากนะเจ้าคะ่ะจะติดตามพระอาจารย์ไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะอ๋อพ่ะอาจารย์พากันแข็งแรงนะครับสาธุจ้ะชเช่นเดียวกันนะหมายถึงแข็งแรงโอเครู้สึกว่าคําถามที่พูดที่เข้ามาในห้องไม่ได้ถามออกคุณ ได้ถามกันหมดแล้วนะตอนนี้ขอไปเอาคําถามจากเฟนภูจากคุณลาวหนึ่บ้างมีไหมคําถามวันนี้มีทั้งหมดสิบสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณประภากลับมาสักการเจ้าค่ะอยากสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิเจ้าค่ะหากนั่งแล้วฟุงแต่พอกําหนดรู้ลมหายใจแต่ไม่เห็นลมหายใจ คราวนี้ต้องหายใจแรงๆเพื่อให้เห็นลมหายใจหรือแค่ตามรู้ไปเจ้าคะว่าไม่เห็นลมก็ไม่เห็นลมค่ะแต่มันจะ<า>มรเจ้าคะ่ะการรู้เฉยๆอย่าไปบงังคับลมถ้าลมอะไรเห็นไม่เห็นก็เห็นความมุความวม่างไปดูความว่างไปคาถามต่อไปจากคุณคำแสนเงินที่ได้มาจากการ้ายยาคอร์รัปชันนาไปทำบุญจะได้บุญไหมครับ ได้บุญแต่ล้างบาปไม่ได้บาปที่ทําจากจากการได้เงินมาโดยไม่ชอบนี่ก็ยังอยู่แต่เงินที่เอามาทําบุญก็จะเป็นบุญเป็นส่วนของบุญไปมีสองคำถามจากคุณนงนุชค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการถือศีลแปดเราสามารถอ่านข่าวส่งอ่านไปฟังธรรมะคุยเรื่องงานทางโทรศัพท์ได้หรือไม่คะ ก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการคร่งขนาดไหนเราต้องการแข่งมากก็ไม่อ่านข่าวไม่รับรู้เรื่องทั้งโลกไงแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวแต่ถ้าเรายังยังไม่ต้องการแข่งขนาดนั้นเราก็อาจจะแยกว่าดูฟังข่าวได้แต่ไม่เรื่องบันเทิงไม่ได้เรื่องบันเทิงนี่ห้ามเด็ดขาดข่าว น, นี่ยังเป็นทางเรือกอยู่เลือกฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้แล้วแต่เรา คำถามต่อเนื่องคือการถือศีลแปดสามารถใส่สร้อยพระทาแป้งได้หรือไม่คะคือเขาห้ามไม่ให้ใส่พวกของเสริมเสริมสวยความงามต่างๆถ้าการห้อยพระนี้เป็นการห้อยเพื่อให้มีสตินี่ก็ถือว่าน่าไม่ไม่น่าจะผิ ด, ผดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยกก็เ ไ, ไม่ได้้อย อ่าที่ห้อยแล้วก็ะห้อยแบบห้อยผ้าแต่พระก็ต้องสวยง่ายน้ำเนี้ยติดเทปติดอะไรขึร้นมาอย่างนี้มันก็อันนี้ก็เป็นการเสริมเสริมสวยความนามก็ไม่ถูกแต่ถ้าห้อยเพื่อเป็นการเจริญสติพุทธานุสติอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถึงว่าผิดมก็ อ, อยู่ที่ว่าเราเราเราห้อยด้วยอะไรอย่างนีนถ้าห้อยแบบพระธรรมดา ไม่ต้องใช้ส้อยทองใช้อะไรไเอาเป็นเชือกอะไรก็อย่างนี้น่านนจะบอ ก, กว่าคำถามต่อไปจากคุณแอปเปิ้ลกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบถามพระอาจารย์จิตหลุดออกจากร่างขณะหลับบ่อยๆเราสามารถฝึกจิตต่อไปได้อย่างไรบ้างคะวอนเวลาหลับนี่เราฝึกไม่ได้แล้วต้องรองเวลาที่เราตื่นพอตื่นแล้วก็ฝึกสติไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อน แลต่อไปก็ฝึกสมาธิแต่อไปได้นเราก็ค่อยฝึกปัญญาต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนไปคำถามต่อไปจากคุณดีเคแม่สอนอยากให้พระอาจารย์พูดเกี่ยวกับความตายหน่อยครับก็พระพุทธเจ้าบอกว่าความตายก็คือเวลาหายใจเข้าก็ไม่หายหายใจออกก็ตายเวลาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย ตายก็คือร่างกายยุติการทํางานแล้วก็จะเสื่อมกายเป็นดินน้ำมลไฟไปนี่คือความตายของร่างกายแต่จิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตผู้เป็นเจ้าหน้าของร่างกายผู้สัามาร้ร่างกายทำยอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายกับร่างกายจิตก็ไปต่อไปตามหน้าของบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทําไว้ถ้าบุญพาไปก็พาไปสวรรค์ถ้าบาปพาไปก็พาไปอาภัย คำถามต่อไปจากคุณเต้เจ้าพระอาจารย์ค่ะรบกวนถามว่าถ้าทําบาปโดยไม่ตั้งใจจะถือเป็นบาปใช่ไหมคะจะไม่ถือเป็นบาปใช่ไหมคะเช่นเช่นอุบัติเหตุขับรถชนสุนัขตายแต่เรื่องผลยังต้องได้รับผลที่กระทําไปไหมคะรู้สึกว่าถ้าไม่ต้องรับผลอะไรเลยก็รู้สึกไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายที่ถูกกระทําค่ะ เลยอดตะขิดตะขวงใจไม่ได้ค่ะเราไม่ไมบาปมันไม่ได้ส่งให้เราไปอ บ, บายนะถ้าเราไม่ได้ทำโดยไ ม, ไ ม, ไม่มีเจตนาคำถามต่อไปจากคุณแอแออยากกราบถามพระอาจารย์ค่ะในกรณีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันของมนุษย์โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่หรือญาติ ถ้าเรามีความแตกต่างขัดแย้งแต่ได้ลองปรับทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจกันได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ในความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ได้แต่ต่างฝ่ายต่างทำให้อึดอัดใจต่อกันเราจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรคะก็พยายามอย่าเอาส่ตรต่างเข้ามาประสานกันเอาแต่ส่วนเหมือนส่วนที่เราเห็นพ่อมต้องกันแล้วก็เอามาปสานกันได้ วนที่มีความแตกต่างแล้วก็สงวนไว้อย่าอย่าเอามาอย่าเอามามาม า, ม า, ม, า, ม, ามาชนกันไม่ง่ายสงวนชนต่างประสานส่วนเหมือนอ่ามัถามต่อไปจากคนไม่สำคัญน้อมกราบสาธุเจ้าคะ่ะอยากนั่งสมาธิเป็นแต่จิตไม่นิ่งสักทีคะ่ะเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะ กับสาธุพราาะอาจารย์ค่ะไม่มีสติเนี่นั่สมาธิต้องมีสติค่อยกลับกลับใจเช mm ่ hmm. นทำระลึลกถึงพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดนี่เร็วมีสติหรือดูลงหายใจออก็อ้อยู่อย่างตอนเนื่อนไม่หยุดนี่จะทำจิตให้สงบได้คำถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนท์กราบเรียนถามพระอาจารย์มีเพื่อนฝากถามเจ้าค่ะ ถ้าพุทธศาสนามีหลายนิกายแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาในนิกายไหนและทรงผนวดในนิกายไหนคะกลาบขอบพระคุณค่ะในสมัยพระพุทธเจ้ามีนิกายเดียวนิกายต่างๆมาแตกแยกกันนหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จ น, นิพพานไปแล้วะคำถามต่อไปจากคุณบนันนี่มีทั้งหมดสามคำถามเจ้าค่ะคำถามแรก เวลาดูลมถ้าตามดูแล้วรู้อยู่ว่าเราหายใจเข้าออกแค่นี้พอไหมคะถ้าไม่โฟกัสที่จุดที่ลมกระทบจมูกหรือว่าควรจะเพ่งให้รู้จุดที่กระทบให้ชัดเจนถ้ากรณีควรรู้จุดกระทบควรเป็นจุดเดิมตลอดหรือเปลี่ยนจุดได้คะสามารถรู้จุดที่ลมกระทบได้อยู่แต่มีความกังวลในการมองหาจุดที่ลมกระทบปลายจมูกคะ่ะ เวลาตามดูและรู้ว่าลมหายใจเข้าออกอยู่รู้สึกจะไม่กังวลและตามรู้ได้ค่ะคือการตามลมนี่จะทําให้จิตไป่สมถ้าอยากใช้จิตสมองนี้ต้องรู้อยู่ที่จุดเดียวเพื่อที่ปลายจ ม, มูกหรือที่กลางหน้า อ, อกก็ได้และการหน้า อ, อกก็จะรู้สึกว่าเวลาลมเข้าก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกไปก็จะยุบหมไปเรื่องได้ยุบหนอะพองเนอก็ได้ ดูที่ปลายจมูกก็ได้คาถามที่สองการภาวนาพุโทโธกับดูลมทำให้สามารถเข้าถึงฌานได้ในระดับเดียวกันหรือให้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่าการดูลมสามารถทำให้เข้าฌานได้ลึกกว่าคะก็ได้เหมือนกันพุโทโธว่าจิตกข้าได้ดูลมจิตกข้าฌได้ คำถามที่สามถ้าจะภาวนาพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ดูลมเลยแล้วเจริญปัญญาจะช่วยให้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะได้ไหมคะเวลาทําสมาธินี้ไปเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าดูลมก็ดูลม จ, จนกระทั่งจบบิตเนื่องจิตสงบจเป็นฌานเป็นสมาธิก็ปล่อยให้มันอยู่ในสมาธิไปนานๆจนกว่าจะถอนออกมามา่อถอนออกจากสมาธิแล้วมาเริมค้นคิด ก็เอาความคิดที่มาคิดทางปัญญาต่อไปไนดะ้แต่ต้องทําตอนที่มีความคิดตอนที่จิตนิ่งสงบไม่คิดนี้เ อ, อย่าไปได้เอาความคิดทีขึ้นมาพิจารณาว่าต้องการให้จิตว่างจิตสงบจิตไม่มีความคิดนานๆเพราะเป็นจุดที่ทําให้จิตมีพลังมีความสุขมีความอิ่มความพอที่เรียกว่าโอเบคขาคําถามต่อไปจากคุณอนะัค ในครอบครัวรู้ว่าคนในครอบครัวมีความคิดที่ไม่ดีพูดไม่ดีและกระทำไม่ดีอยากให้พระอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะถ้าเราสอนก็ได้ก็สอนถ้าสอนไมได้ก็ต้องปล่อยคขาไปคำถามต่อไปจากคุณแทนแทนลบกวนสอบถามครับพระอาจารย์ก่อนนั่งสมาธิเราต้องพิจารณาก่อนนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิเสร็จ แล้วค่อยพิจารณาครับเราก่อนั่งนี้ให้มีสติให้มีสติเช่นถ้าใจเรอย่างเลื่อนรอยอย่ก็เราเลืถึงพุโทโธพุโทโธอะไรแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิตอบไมได้ไม่พิจารณาการนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะพิจารณาเป็นเวลาที่หยุดพิจารณาหยุดคิดคุณวรดามีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะ คำถามแรกอยากถามว่าปกติชอบภาวนาพุโทโธค่ะจนเวลาทำอะไรก็จะภาวนาอัตโนมัติแต่ตอนนี้ชอบบทสวดมนบทหนึ่งค่ะเลยใช้ภาวนาอยู่ตลอดทั้งวันแต่เวลานั่งสมาธิหรือทำอะไรที่ต้องใช้สมาธิเยอะๆจะกลับไปภาวนาพุโทโธเองแบบนี้ภาวนาถูกต้องไหมคะถ้าจิตเราสงบก็ถูกต้อง คำถามที่สองของคุณวรดาเมื่อภาวนาพุโทโธติอยู่ในจิตใจแล้วต้องพิจารณาอย่างไรต่อคะพระอาจารย์เราไม่พิจารณาก็ให้มีพุโทโธอยู่ในใจไปเพื่อให้จิตสงบให้จิตนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาคำถามสุดท้ายจากคุณอนุสอ์ขอโอกาสขอรับการมองตนเองน้อมนําเช่นไรถึงถูกต้องขอรับ ก็น้อมเอาคําสอนอุเจ้ามาเปรียบเทียบว่าเราทําตามคําสอนหรือไม่พุทเจ้าสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงเราละการกระทบาปหรือไม่พุทธเจ้าบอกให้เราเจริญกุศลทั้งหลายถึงพร้อมเราเจริญกุศลหรือเปล่าทำบุญหรือป่าพุทเจ้าสอนให้เราชำาระจิตใจให้สะาบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความกอดความหลงดังกำลังชำระ กิอลสคน่งควากดความหลง อ, ออกไปจากใจของเราหรือเปล่เ า, าเาวลามองตัวเราให้มองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราคนลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเขา ไ, ม, ไาม่ปฏิบัติเสียเพราะาเป็นทางไหนทางที่จะนําไปสูขข่ความสุขความเจริญที่แท้จริงอาจารย์คะมีคําถามเพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะใช่ จ, จากคุณเปียววัน น้อมกราบขอโอกาสพระอาจารย์โปรดชี่แนะค่ะการทําบุญใดๆควรหรือไม่ควรที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรคะแต่ถ้าไม่ขอจะได้บุญหรือไม่คะน้อมกราบขอบพระคุณค่ะคือการทําบุญมันก็ได้บุญอยู่แล้วจะขอหรือไม่ขอมันก็ได้บุญแต่ถ้าทําบุญแล้วไปขอให้ถูกขวยนี่ขอยงไงมันก็ไม่ถูกอาจารย์ มันมืนกินข้าวเวลากินข้าวมันจะขอให้อิ่มแล้วไม่อิ่มมันก็อิ่มแต่ถ้าจะไปขอเวลากินข้าวแล้วก็ขอให้ถูกหวยมันก็ไม่ถูกหวยเพราะว่ามันมันคนมันไม่ได้เป็นการทําให้เราให้ถูกหวยการทําบุญก็เหมือนกันการทําบุญก็เพื่อให้เรามีความสุขใจอิ่มใจไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นไม่ได้ทําให้เราเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นจะขอไม่ขอมันก็ไม่เกี่ยวกันคนเราไม่เหม่อนกัน หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะโ okay. อเคเพเวลาก็ ค, คอ่อนข้างที่จะมากสชั่วโมงครึ่งกว่านะไม่ทราบว่ามีใครที่ยังไม่ได้ถาม อ, อ๋อเป็นคนเดียวเลยเดียวเดียวเพิเข้ามาเดียวกำลังตาครับอ่ากลับมาสครัครับมากๆ มาฟังเฉยๆครับมากับมาตอนนี้ก็แม่ไม่มาเลยแม่ไม่อยู่พราะที่รีอยู่ตอนนี้อยู่มากรีดเขามาทำงานคือแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็แม่เขาเหมือนก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้เข้ามาครับเขาจะเไม่มีครับไม่ทราบว่าใครมีโอเคมีใครมีคำถามตกค้งอยู่ไหยครับคนสุภาพใช่ พระอาจารย์เจ้าคะ่ะที่พระอาจารย์ได้สอนเพศเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลก็คือการเข้าไปพิจารณาไตหลักใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ทุก อ, อย่างเป็นตไตรากาหมดอยู่ที่ไหนก็พิจารณาเป็นไตรากได้แต่ถ้าไปโรงพยาบาลมันจะเห็นชัดขึ้นเออคือไปดูคนที่เจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ทำไมันไปตรวจก็ได้ดูเห็นดูคนเจ็บก็ได้ดูคนตายก็ได้ ถ้ามีทราบ ส, สดดไปดูก็ผ่าสศพก็ได้จะได้ดูส่วนที่มีอยู่ภายในร่างกายของคนเราก็เป็นยังไงก็เลยมาดูสุภาษณ์ดูความจริงความไม่สวยไม่งามของร่างกายอ๋อแล้วค่ะคือพอดีเมื่อก่อนที่ยมจะมาฟังพระจารนะคะ่ะไปสํานักแรกเห็นเขาบอกว่าให้ให้ไปสวดส่งวิญญาณแล้วก็ให้เอาลูกแก้วไปจ่ออะไรเงี้ยอันนี้คือผิดทางใช่ไหมจคะ่ะ อาจจะไปดูบายให้เราเข้าไปเห็นของจริงหรือความตายแต่ว่าถ้าให้ไปดูอย่างนี้ เ, าาเราอาจจะไม่อยากไปเขาก็เลยอาจจะมีอุบายหลอกเราว่าไปสงวิญญาณให้เขาหน่อยอะไรไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราสมาธิไม่ไม่เยอะพอเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดขดหูนี่หมายความว่าเราต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิต่อใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่แสดงว่าจิตเรายัง ไม่ไม่เย่งเฉยพอพอพไปเจอสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกใจกิเลสมันก็เลยทําให้ใจวั่นไหวได้อ๋อเข้าใจแล้วจา้าค่ะขอบพระคุณเจา้าค่ะแต่เป็นสิ่งที่เร า, เราต้อฝึกมองอยู่เรื่อยๆืูอยู่เรื่อยให้มันจดให้มันจําอยู่ในใจเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางได้ตรงได้เ้าค่ะขอบพระคุณเจา้าค่ะมีใครมีอยากจะถามยังไงทำมีใครมีจักคนคนหลา ุนะมีคำถามจากทาง YouTube เพิ่มหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณ น, นรับแมวมาอาศัยเราอยู่แล้วมีคนมาเอาของเราไปเลี้ยงจะบาปไหมคะเราแยกแม่ลูกกันค่ะเขามาเอาแมวของเราไปเลี้ยงเหรอคะมีแมวมาอาศัยเขาอยู่ค่ะแล้วก็มีคนมาเอาไปเลี้ยงคิดว่าเอาตัวลูกหรือแม่ไปเลี้ยงทําให้แม่ลูกแยกจากกันเจ้าค่ะ อ๋อมันเป็นเรื่องปกติถ้าเขาไปเรียนดูก็ถือว่าเข า, ปาเป็นคามเมตตาเขาไปสมเคราะก็ไม่บาปเลยเพราะสัตว์นี่เขาก็ไม่ได้ถือเป็นเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วพอตัวเขาก็ยากทางกันไปอยู่ดียังไม่ถือว่าเป็นการเป็นการทําบาปนะอาจารย์ครามีอีกสองคำถามเข้ามาเจ้าค่ะนถาไจากคุณ นัทจลินททิปกราบเรียนแทนลูกสาวคะ่ะว่าทําไมศาสนาพุทธถึงไม่รุ่งเรืองในทวีปยุโรปเลยคะ่ะก็เป็นเพราะว่าทางทวีปยุโรปก็ไม่ศาสนาของเขาอยู่แล้วหนึ่งแล้วว่าเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเพื่มศาสนาพุทธเนี่ย ต, ต่อมามีการเผยแพร่คำสอนของศาสนาพุทธไปทางประเทศยุโรป ตอนนี้ก็มีชาวยุโรปก็เริ่ม เ, เห็นคุณค่าของาศาสนาก็เริ่มมีคนสนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามาศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นไปสมัยก่อนศาสนาพุทธจะจะไปไม่ถึงยุโรปก็ได้เพราะมันอยู่ไกลนะาปเดินทางไปไม่ได้เพราะสมัยก่อนนี้ถ้าไม่มีไม่มีทางไปกันคําถามสุดท้ายจากคุณหมุ้ยค่ะคุะอาจารย์คะขออนุญาตถามเพิ่มเติมคะ่ะ ทำไมเวลาหนูสวดมนต์วันสองวันแรกจะมักฝันแบบน่ากลัวตลอดเลยคะ่ะพอวันต่อมาเราไม่สวดก็ไม่ฝันก็เลยทำให้เราไม่อยากสวดมนต์ต่อเพราะสวดแล้วฝันน่ากลัวถ้าเป็นแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรคะคือความฝันที่น่ากลัวไม่ได้เกิดจากการสวดมนต์หรอกมันเกิดจากบาปที่เราทำเอาไว้มันฝัาอยู่ในใจเราเวลานอนหลับมันก็ผลขึ้นมา เดีมันมันไม่ได้ปรีมันอาจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ลองส่วนต่อไปดูเศษสังเกตดูว่ามันจะฝันทุกข้างลงไปให้มันดูไปเลี๋ยวเราคิดว่ามันไม่มันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกถ้าส่วนมนแบบมีสติแล้วมันจะฝันน้อยลงไปสิอีกว่าจิตมันจะคิดน้อยลงไปคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะนี่ก็คิดว่าพอสมคู่เก่เวลานถ้าสำหรับคืนนี้ก็เกือบสามชั่วโมง นอกจากว่ามีความคำถามตกข้างค่ะคุณจิ๊บมามาขอทอประธานอภัยคะ่ะหลวงพระอาจารย์ยอมมีคำถามคือว่าถ้าเวลาเราไปร้านอาหารทะเลแล้วเราสั่งแบบว่าเอาปูนึ่งปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเราไปแบบทํำบาปไหมคะเพราะว่าเขาก็เอาปูเป็น เ, นเนหรือกุ้งเป็นเป็นมานึง่งมาลวกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นของเป็นเราไปสั่งไหมเขาท่าให้ลราเข้าบาป เราก็เลี้ยงเราก็กินสลัดไปก็แล้วกันกินสลัดไปไม่แต่บางทีถ้าสมมุติว่าลูกอยากทานลูกทาเราก็เลี่ยงไปเลยบอกว่าทานอย่างอื่นทานได้ไหมได้หรอมันบาปแต่ถ้าเป็นของตายแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเรารูว่าร้นี้ไม่มีของสดไม่มีของเป็นมีแต่ของตายแล้วเราก็สั่ได้ค่ะเผอิญเมื่อก็เมื่อสองวันก่อนไปร้านแล้วลืมนึกไปลูกอยากทานปูโยมก็เลยโอเคงั้นเอาแค่ แค่สองตัวละกันอะไรอย่างเงี้ยยงก็เลยอุ้ยนึกขึ้นได้อเออเราไปเอาไปําบานคนหนึ่งเข้าไปเข้าไปซื้อปูไปปล่อยกันเพราะเราไปไปสา ย, ายว่าหาปูมากินไงเหมือนต่ากันไหมบุญกับบาปต่างกันตรงนี้ไมค่ะถ้าเราเรายงก็มันแรกที่ล้าโอุ้ยตายแล้วนี่คือเราผิดศีลผิดศีลข้อหนึ่งใช่ไหมคะแบบเนี้ยค่ะ้าแสดงว่าศีลเรายังไม่ยังไม่มั่นคงทีเดียวออาซึ่งความอยากไม่ได้ พออยากกิน ม, มาสิลืมไปเลยยอมไม่อยากแต่ลูกยอมอยากวยความที่เราเป็นแม่เอาลูกอยากก็ลืมแบบว่าเพราะความรับลนูนะใช่ค่ะลิมก็เลยเอโอไม่เป็นแล้โอเคค่ะเดี๋ยวแม่รับบาปเองแม่รับบาปโอเคนะหมแล้วใชไหมไม่มีแลค่ะค่ะคฝากเห้เราให้คุณสเลนดอนด้วยนะอยู่ใกล้ๆกันรืเปล่าอ๋เ อ, อเขาเขามาพักอยู่ค่ะพอดีเขาพาลูกฉัว พื้นของค่ะเดี๋ยวโยมจะฝากให้ค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วก็ฝากค่ะโยมก็เห็นชลินทองบอกว่าอาจารย์ไปฉีดยาอาทิตย์ที่แล้วมาอเข็มที่สองและค่ะรักษาขอพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงรักษาธาตุขันนะคะ okay. ขอบคุณพรุทนาก็คิดว่าหมดเวลาพอดีนะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด